วันที่44บ่ายโมงครึ่งของวันเดียวกันนี้เองคณะค้นหารละเบิรนิวเคลียร์ภายใต้การนําของรพินซึ่งมีขบวนอพยพของพวกกเรียงเหลือตายจากโคชัยหมู่บ้านตะเคียนทองติดตามมาด้วยก็ผ่านดงทึบสลับไปกับทุ่งแฝงในระหว่างวงร้องของคุนเขาทํามึนรอบทิศอันกั้นรอบด้านประหนึ่งกำแพงของจักรวาลล่วงเข้าสู่บริเวณด้านใต้ของหุบม้าหอนแอนกว้างใหญ่ไพศาลจะยังเป็นรอบนอกของเขตหุบมหาภัยเท่านั้นและเลาะเรียบไปเรื่อยๆตำเชิงเขาโดยจอมพรคุเทศผู้นําทาง กัองอยู่ในระหว่างใกล้ค ร, ครวญตัดสินใจว่าจะหาทางตัดโท่อเขตถูกได้เพื่อความปลอดภัยของหมู่คณะมากที่สุดเขาพระเดินจากคริสตินาครูวินลุไลลาอามิเจตโดยเรื่องสีเทาไปเดินนําหน้าขบวนเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วคนคงจะอยากประกบติดตามชิดยุ่มเหมือนกันแต่สุดความสามารถเพราะเดินตามไม่ทันและในที่สุดก็ละความพยายามเนื่องจากเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าบนทางในป่าแล้วถ้าหากคนคนนั้นไม่หยุดรอเช่นอย่างเดียวไม่มีใครเดินตามเขาได้ทันต่อให้ขายาวรู้ว่าเป็นนักเดินที่แข็งแรงทุรหดสักขนาดไหน แมนคริสจะเพิ่งค่าตัวตายซะก่อนทพรความเหนื่อยถ้าคิดจะเดินตีคู่ไปกับพรานใหญ่โดยแกไม่หยุดรอให้หลอนยังจําได้ดีว่าบุญคําได้เตือนไว้ด้วยคําพูดเช่นนั้นขณะที่หล่อนเลี้ยงฝีเท้าจนเกืบจะเป็นวิ่งในที่สุดอย่างเก่งคริสก็พเพียงแตเดินนําหน้าขบวนลูกหักเคียงข่าไปกับบุญคํเท่านั้นในขณะที่พว ก, กคนอื่นคงเดินคุมท้ายขบวนบัด น, นั้นเองเจียงวิทยุยแบบมือถือทุกเรื่องของฝ่ายนายจ้างปรากฏสัญญาณออกเรียบพร้อมัขึ้นทั้งหมดสแอนลี่คีเชิร์ดบุญและอีสเบลจะด ที่ละหายไปเบื้อ ง, งนหน้ามือนจะทอดทิ้งทุกคนไว้ด้านหลังก็ปรากคนเท้าลึกชัดเจนที่สุดว่าระพินเรียกทุกคนให้ได้ยินตอบตอบรับด้วยบราวโววิทยุเราใช้การได้แล้วด้วยนี่ดีใจจริงโว้ยฮ่หาฮ่าระพินเราได้ยินเสียงคุณชัดเจนมากเสียงในคิดตะโกนลัน่นคนหัวเรากล้องดีใจแทบกระโดดคนอื่นก็ตื่นเต้นกันไปหมดกรอกเสียงพูดลงไปในเครื่องของตนจนฟังไม่ได้สับเสียงจากระพินเงียบไปเพราะคงได้ยิน พ, กพวกเบื้องหลังซึ่งเดินเวียนระยะกันเป็นช่วงๆใช้ ว, ช ว, วิทยุสอบกันเองอยู่ เขทอลระยะใจใหญ่จนทั่งได้ยินเสียงเรียกเป็นทางการจากหัวหน้ากณนนะได้เสียงคนอื่นเงียบลงจึงตอบมาได้ยินพร้อมกันหมดทุกเครื่องที่เปิดรับอยู่ในขณะนี้ขอทดสอบเครื่องทุกเครื่องรับฟังได้เรียบร้อยไหมครับผมจะเรียกเป็นลายบุคคลเมื่อเรียกใครขอให้ตอบรับและบอกชัดเจนหรือไม่เพียงลามาด้วยตกลงเรียกมาได้เลยอย่างแมนสําหรับผมที่พวกกับคุณขณะนี้ชัดเจนดีมากเสียงแซนลี่กล่าวอย่างริงโรดจองผลันเริ่มต้นตามลาดับบุคคลทันทีคนถัดไปเขาเรียกคีธเชิดวุลัยอิสเปลวทั้งสาายเกก็บอมาชชััดเเจนน่กน คลิสเตนาเป็นคนสุดท้ายที่เขาทดสอบวิทยุด้วยหลนเฉยไม่ตอบไม่ปลดวิทยุที่กําลังดังอ้าวติดอยู่กับเข็มขัดขึ้นมาพูดจอมพานเรียกซ้ำถึงสองครั้งเชิดบุตรผู้กดไล่ตามหลังมาจกนกระทั่งเดินทันไม่ผมทอหันไปดูแม่ภูเขาน้ําแข็งซึ่งก้าวเดินเป็นเรื่องหน้าเฉยด้วยความประหลาดใจเขอื้มอมมือไปคว้าวิทยุที่เอวของหล่อนขึ้นมารอคันพูดลงไปและเพียงที่ผมเชิดบุตรพูดแต่ใช้เครื่องของคริสวิทยุของที่ใช้การได้ดีเหมือนของพวกเราทุกคนแหละแต่ผมแปลกใจในข้อที่เขาเดินเฉยไม่สสนนใจกกัับบเเเเเีียยยยงงงรขขอออคคุณลิิผมดู่้า ก็เลยช่วยวิทยุของข้ามูลพูดแทนเป็นการทดสอบให้รับฟังเป็นยังไงก็ชัดเจนดีเหมือนเครื่องอื่นๆครับจอพานต่อเดินน้าเสียงปกติเชิญวุฒิจึงส่งเครื่องนั้นขืนให้เจ้าของพรอมทังมองหน้าเหมือนจะถามว่าเหตุใดจึงไม่ตอบล่ะแต่ผมทองเฉยทําเป็นไม่เห็นด้วยเสียงรับวิทยุมันเดบเอวตามเดิมโปรธอะไรละพินหรือนายทหารหนุ่มถามรเบาๆไม่เห็นนอนปิดสวิตซ์ยเพราะถึงอย่างไรเครื่องของเชิดวุฒิก็ยังเปิดอยู่ในขณะนี้ก็สามารถถ่ายทอดเสียงระหว่างพานใหญ่ทุกคนให้ได้ยินชัดเจนอยู่แล้วในทุกข้อทุกความ คำตอบเรียบเชื่หลังมือป้ายเช็ดเนื้อปลายจมูกกามองไปเบื้องหน้าเห็นแต่ปาเขลียวทั้มือในระหว่างช่องเขาที่ท่อสูงขึ้นไประยะเวลานั้นเสียงผููโตตอบทางวิทยุระหว่างจอมพายกับแซนดี้คงดังอยู่ตลอดเวลาแล้วทําไมเขาเรียกคุณถึงไม่ตอบค ร, รับไม่จําเป็นปรเรื่องทานเปล่าในมือก็เห็นอยู่แล้วว่าวิทยุมันดังอยู่นี่ถึงฉันไม่ตอบคุณก็ช่วยตอบไปแล้วไม่ใช่หรือเอสองคนนี้รู้สึกเหมือนมันมีอะไรในกันยังไงพี่กลนะระยะเดินทางเริ่มตน้นครึ่งชั่วโมงแล้วมเห็นคุณไปเดินล้างท้ายขบวนกับพานใหญ่ต่อมา ขึ้นไปนำอยู่หน้าขบวนตามบตกเองเขาคุณพยายามตามแต่ตามเขาไม่ทันเองหยุดถามจู่จี้ซอกแซกเสถีได้ไหมไอ้หนูมันพูดขึ้นทวนเป็นสางเกฤษแต่สำนวนนั้นแปลออกมาได้ความเช่นนี้ได้เหาเชิดวุฒสะดุง้งโดงตาของคริสซี่เหลือบจับมาทางเขาน่า ก, กลัวผิดสังเกตไปมากแมะมันจะวาวจ้าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนลเลยเหาเชิดวุฒหน้าแย่ขอบคุณสวรสด์เป็นอันว่าวิทยุเรื่องของเราใช้ได้ตามปกติแล้วเม้นเขตอับคลืนออกมาผมเข้าใจว่าวิทยุเรื่องใหญ่ที่จะติดต่อกับผอบังคับการลอก็จะต้องเริ่มใช้การไดดด้้ีวย เสียงระพินดังกล้องมาจะทุกเรื่องที่เปิดรับฟังอยู่ในขณะนี้เพราะทุกคนเปิดวอลลุ่มสูงสุดขอรายงานให้ทราบดังนี้ครับขณะนี้เรากําลังอยู่ทางด้านใต้ฝั่งนอกของหุบหมาหอนตัวผมเองล่วงหน้ามารอท่านอยู่แล้วตรงบริเวณชะ ง, งนเขาริมเฮลระยะห่างจากพวกท่านประมาณไม่เกินหนึ่งไมล์โปรตายตามมาเส้นทางที่กําลังเดินอยู่ในขณะนี้ประเดี๋ยวก็จะเห็นกันเองเราจะหยุดพักทานอาหารกลางวันกันที่นี้ไม่ต้องเร่งร้อนครัเดินกันตามสบายเดี๋ยวก็ถึงที่พักและขออภัยด้วยที่เดินนำรถเดียวห้าชั่วโมงเสร็โดยไม่หยุดเลยแลทถมเวล า, ารกทานกลาง โอเคเรากำลังตามขึ้นไปเดี๋ยวนี้แซนดี Stanley, ต้ตอขึ้นไปทันทีจากสภาพป่าอันเป็นพรพงลกทึ่อุดมด้วยเถาวัลย์ซึ่งบางขณะก็ต้องใช้มีดตัดกิ่งไม้ถกฉากทางขึ้นไปจู่ๆก็โผลมาพบเส้นทางเดินอันอุดมไปด้วยกรวดหินตัดชันขึ้นสู่ลายเขาซึ่งมีรอยละพินกำลังสัญญาทำสัญญาณชี้ทางไว้ให้ก่อนและขบวนทั้งหมดพากันเคลื่อนขึ้นไปตามผลทางนั้นทันทีทุกคนเหงื่อโชกแลกกับอาบน้ําโดยเฉพาะฝ่ายนายจ้าแต่คนเหล่านี้เริ่มเคยชินแล้กับสภาพของการเดินย่างนะักจึงไม่มีปัญหาอะไรมากนะขณะเดินทาง กอนพวกกระเหลียงอพยพซึ่งมีสัมภาระได้เดินช้ากวา่ามากอันเนื่องจากเป็นกองคารวานใหญ่ขึ้นไปก่อนพวกตนปิดไล่ไล่หลังขึ้นไปช่วงไม่กินนาทีต่อมาก็บรรลุถึงยอดเนินของเส้นทางทอดข้ามไปไหลเขานั้นมองเห็นแล้พินยินสุบริอยู่ก่อนแหละจงบริเวณลานที่โล่งกว้างเรียบเชิงผาตอนหนึ่งหาออกไปราวสี่สิบหลาได้จนไม้ใหญ่ที่ยืนต้นต่างาโดดเดี่ยวอยู่สูงลิกด้านขวามือเป็นเหวลึกตัดชันลงไปมองเห็นยอดไม้อยู่เบื้องล่างทึบไปหมด จอมพลานตีมือเป็นสัญญาณสั่งการกับพลนพันทุนเหมืองของเขงให้นํำขบวนเกระเรียนอพยพที่มาด้วยให้แอบชิดเข้าพักริมหน้าผาภายใต้ล่มเงาของช ง, งอนที่โปรโล้ำออกมาซึ่งพวกนั้นก็เข้าใจสัญญาณเขาเป็นอย่างดีตรงเข้าไปรวมกลุ่มปรงหาตรงตำแหน่งนั้นตามคําสั่งชนฝ่ายนายจ้างและขบวนลูกหาของฝ่ายครับจอมพลานใช้วิทยุสั่งให้เดินตรงไปยังร่มไม้ใหญ่ที่ยืนอยู่ช่วงชั่วโมงไม่นานคณะที่ตามมาก็ถึงตำแหน่งนั้นตา่างทุกตัวลงนั่งอย่างเหนื่เหนื่อยอิดเลยและดื่มน้ำไปอันดับแรกการหยุดพักจิงแยกออกเป หน้าเดินทางกลุ่มนึงก็เรียงอพยพมีจํานวนลูกเล็กเด็กแดงอีกกลุ่มหนึ่งโดยห่างกันไปแค่ยี่สิลามองเห็นและตะโกนพูดกันได้เราไม่สามารถจะทําเวลาให้เด็วได้มากกว่านี้ตามที่เรียนให้ทราบล่วงหน้าแล้วเพราะนี้ก็เรียงอพยพและสัมภาระมากมายติดตามมาด้วยหนทางเดินก็ต้องเลือกอแนวทางที่แน่ใจว่าคุณจะปลอดภัยและเสี่ยงน้อยที่สุดถ้าเรามากันตามลำพังก็จะทําเวลาได้มากกว่านี้อีกเท่าออตัวเอาละครผมให้เวลาทุกท่านหนึ่งชั่วโมงเต็มสําหรับการอาหารกลางวันและพักผ่อนก่อ น, อ, นออกเดินทางต่อเขาประกาศขึ้นกับทุกคนในกลุ่ม ของนายจ้างที่พากันนั่งหอบหน้าแดงกลั่มอยู่แล้วก็ตะโกนสั่งการอะไรบางอย่างไปยังกะเหรี่ยง อ, อพะยพพวกนั้นขณะเดียวกันก็ออกคําสั่งให้บุญคำเป็นตัวแทนเขาเพาื่ออำนวยความสะดวกนั่นแน่อะไรกับพวกนั้นรวมทั้งให้ไปเอาอาหารการกินรวมกลุ่มกับกะเหรี่ยงตะเคียนทองด้วยอาหารกลางวันพอประ ท, งทังชีพมือนิไฟนายจ้างทั้งหมดอาศัยเลชันล้วนๆความเหออน่อยอ่อนความขิวโหวยยังทําให้ทุกคนไม่ไม่อาจสนใจสังเกตภูมิประเทศแวดล้อมรอบตัวได้ละเอียดถี่ถ้วนนะ เหนเพียงผัดผาแต่ว่ายิ่งเดินทางไกลออกมาสภาพของป่าก็ดีภูเขารอบด้านก็ดีมันเริ่มผิดประจากเท่าที่ผ่านมาแล้วทุกขณะดภูเขาสูงขึ้นต้นไม้แต่ละต้นใหญ่มโหลานขึ้นขนาดเท้าวันแท้ๆก็ยังมีเส้นเท่ากับขาอดอนอวบของผู้หญิงธรรมชาติทีทั้งความสวยงามและน่าจะพึ่งกลัวปนกันอย่างแยกไม่ถูกหินแต่ละก้อนก็ล้วนแต่แพร่พรไปด้วยสีสันวิจิตรเหมือนเอาเพชรนินจินดาไปฝังไว้เมื่ออิ่มทุกคนใช้เวลาที่เหลือเอนหลังลงพักตามแท่งหินที่งอกออกมา เกตและกะรพินเตือนให้คิดทดสอบวิทยุรับส่งเครื่องใหญ่ที่ติดต่อกับสถานีลอยฟ้าทันทีซึ่งในพันเอกแห่ง US Army ก็ดูเหมือนจะเพิ่งนขึ้นมาได้เพราะคําเตือนนั้นรีบจัดการโดยเร็วปรับจูนเครื่องเรียกอยู่ครู่หนึ่งเสียงจะขอบังคับการซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนก็ดังก้องชัดออกมาชนนี้ที่ทำให้อเมริกัทุกคนแทบกระโดดด้วยความปิติื่อเตือที่จะกล่าวเมื่อวิทยุรับส่งเครื่องทําใหญ่ทํางานได้และเริ่มมีการใช้โค้ติดต่อกันจอมพลก็แยกตัวหาออกมาทันทีเพราะไม่ต้องการปุ่งเปี้ยนอย้าย ง, ง, งจาจ ในขณะที่ใช้วิทยุท่านถือว่าเป็นความรับสุดยอดระยะเวลาระหว่างนี้ที่เพิ่งสังเกตเห็นหมอเบลแอมมานอนอยู่ใต้ล่มหินมุ่งหนึ่งตังลำพังคนเดียวขาข้างหนึ่งเหยียดตรงอีกข้างหนึ่งชันขึ้นดวงตาหลับเขารู้สึกเหมือนกับว่าเช้า ว, วันนี้ตั้งแต่หลอนถูคริสหรือไลล่าตบเอาเลยเขาเห็นอยู่คนเดียวแล้วอาการของหลอนเงื่อหน่อยไปมากแล้วไม่ค่อยพูดอะไรกับใครโดยไม่จําเป็นด้วยศึกษาครุกครีเห็นนิสัยแท้จริงกันไปนานๆแล้วก็น่าสงสาร อิซาเบลเป็นคนไม่มีอะไรเลยฟรีเซกดอกทองประจําคณะแต่นั่นก็เป็นนิสัยอิสระเสรีที่ไม่มีอะไรปิดบังอำพรางไว้เพราะธรรมชาติความต้องการของหลอนเป็นเช่นนั้นเองทว่าไม่เคยเป็นพิษเป็นภยัยช่างพูดร่าเริงไม่มีอะไรเสียแซงผสมกับความปากตําแย่หน่อยๆ อ, อันเป็นนิสัยแท้จริงของผู้หญิงแต่หลอนก็เป็นเพื่อนดีกับคนทุกคนในคณะเขาไม่เชื่อว่าผู้หญิงคนนี้จะเหี้ยมโหดอำมหิตพอที่จะฆ่าใครได้แต่สําหรับคริสนั้นไม่แน่ แันชายตาญานบอกเขาเช่นนั้นพรานใหญ่เดินตรงเข้าไปหาเสียงเหยียบกรวดลั่นจากฝีเท้าของเขาทำให้หลอนพองกษิษะขึ้นดูพอมองเห็นว่าเป็นใครก็รีบดึดงกายขึ้นนั่งทันทีนอนพักตามสบายเธอเบลเรามีเวลาเหลืออีกตั้งครึ่งชั่วโมงเขายิ้มให้พูดด้วยเสียงอ่อนโยนเบลมองงาแล้วพยายามกวาดสายตาไปรอบๆยางหวาดหวาดรพินกล่าวต่อมาว่าไม่ต้องกลัวและไม่ต้องไปสนใจ ขณะนี้ไลล่ากำลังติดต่อวิทยุกับผอบังคับการเขายังไม่ทันจะเห็นหรอกว่าผมเดินมาที่นี่อิสเบลยิ้มจืดๆขยับตัวไปเอ็นหลังพิงก้อนหินไม่พูดอะไรทั้งสิ้นดูพีไปจักทุกครั้งกระพินอัดควันบุริลึกจ้องติ้เข้าหน้าอ่อนเหยาวนั้นด้วยจิตปราณนี้อย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกผมเสียใจและไม่พอใจที่เห็นคริสตกคุณเช้านี้เพิ่งจะมารู้เอาวันนี้เองว่าคุณนะ่ะกลัวคริสลนหลานไปหมดเป็นความผิดของฉันเองที่ปากพร่อยปากอยู่ไม่สุข เอาความลับที่เขาไม่ต้องการให้ผมรู้มาเปิดเผยเพราะความไร้เดียงสาของคุณเองน่ะลึกฉันฉันหล่อนอึกอักคุณรีบไปซิเถอะต่อไปนี้อย่ามาแสดงความสนใจหรือใกล้ชิดอะไรฉันอีกคริสเขาไม่พอใจนะทําไมฉันไม่น่าจะบอกอะไรคุณไปเลยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเขาประพินหัวรอบเบาๆเอื้อมมือมาตบเข่าของหล่อนอย่างปลอบใจเป็นการดีมากที่คุณช่วยผมเห็นท่าแท้อันซ่อนเร้นของเขาผมสงสัยมานานแล้วแต่ไม่แน่ใจ เพิจะมาแน่ใจเอาเมื่อเช้าตอนที่เขาตบคุณแทบคว่ำไปคามือนั่นเองเอาละเบลขอถามอะไรตรงไปตรงมาคุณกลัวเขาบ้าคุณกลัวเขามากนักหรือเบลหน้าเผืดเห็นถนัดแมจะยิ้มยลายักไหลผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดานะลูกสาวแซมสันผู้มีพละกําลังมหาศาลชนิดที่ใครสู้ไม่ได้หรื อ, อยังไงคุณอย่าให้ฉันพูดอะไรเกี่ยวกับเขาอีกเลยโปรดเถอะจอมพรานสันนะผมอยากจะพูดกับคุณทําไมคุณไม่สู้คุณสู้เขาไม่ได้งั้นหรือ ผมว่าข้อลำขนาดน้ำหนักตัวของคุณจะเหนือกว่าเขาเสอีกแม้ว่าเขาจะได้เปรียบในความสูงกว่าก็ตามเอาไหมผมจะโอกาสมาเหมาะปล่อยให้คุณเดียวกับคริสตัวต่อตั ว, ตวผมเชียร์คุณเองคุณไม่รู้จักคริสอิสเบลล่ําลัม ล, ล, ลักออกมานั่นละนางแม่มดชัดๆแม่มดรูปงามข้าค่าคนเส้นนักต่อ น, นักและวทั้งในเมืองและในสนามรบใครที่ฆ่าคนได้มากๆไม่ใช่จะแสดงว่าเก่งกาจเสมอไปแต่ที่แน่ๆคือใจเยี่ยมและที่ฆ่าใดก็เพราะโอกาสจะฆ่า ถ้ามาเดียวกับคนที่คิดสู้และมีฝีมือทัดเทียมกับเขาข้าอาจเป็นฝ่ายถูกฆ่าบ้างก็ได้ทำไมคุณจะต้องกลัวผ่านหลักสูตร Hand to Hand Combat มาแล้วไม่ใช่หรือคุณน่ะฉันก็เคยเรียนลอนบออออยอาว่าวไปกลัวอะไรฉันอยากรู้นักว่านี่คุณจะมายุอะไรฉันก็ยุให้สู้เขายังไงล่ะผมไม่อยากเห็นคุณถูกตกแล้ววิ่งหนีไปเฉเฉยอย่างเมื่อช้าผมไม่ชอบเห็นใครรังแกใครผมถ้าไม่เชื่อสายตาตามปกติก็เห็นเป็นเพื่อนสนิท รักใครกันดีเ ย, ย้าหยอกกันได้สารพัดแต่บอกจะถูกค่มขู่ขึ้นมาคุณกลัวเขาหงอเลยผมอยากรู้เหตุผลเท่านั้นวะเขามีมือมีเท้าเหมือนกันซ้าขนาดรูปร่างก็ยังได้เปรียบกันซะอีกทําไมจะต้องกลัวเขาถึงเพียงนั้นด้วยระพินเบลออมแอมไม่เต็มปากคานะักฉันเรียน Hand tohand Combat มาแล้วใช่แต่ไลลาอามิเ ต, ตไม่ได้เป็นนักเรียนหรือ ผ, ผู้ผ่านการฝึกอย่างฉันนะเขาเป็นครูฝึกเป็นอาจารย์ของฉันอีกที ลูกจะไปสู้อะไรอาจารย์ได้อย่าว่าแต่ผู้หญิงตัวขนาดฉันเลยผู้คุมหญิงในคุกตัวยังกระหมีโคเดียกหักคอนักโทษหญิงมาเจะนักต่อนักไลล่าจะฟาดโครมเดียวหลังหักพิการเป็นอัมาพาตมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้คุณเห็นตัวเขาระหงเพียอ่อนแอนอย่างนั้นเถอะเวลาแม่โกรธขึ้นมาเรียวแรงเรากับยักษ์ถ้าคุณเองก็เหมือนกันอย่าประมาท ร, รูปร่างคุณก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะักเตือนเชิดวุฒไว้ด้วยให้ระวังเห็นพยายามจะเข้าใกล้คลิมเกลียยุตตลอดเวลาดีไม่ดีเจ็บตัว ผมไม่เชื่อว่าคุณจะสู้เขาไม่ได้ถ้าคุณคิดจะสู้เว้นแต่คุณจะไม่สู้เท่านั้นโอ้มิสเตอร์ฮันเตอร์ฉันแักจะไม่เข้าใจคุณเสียแล้วนี่คุณต้องการอะไรถึงมาพูดแบบนี้ต้องการให้ผู้หญิงสองคนที่มาด้วยกันร่วมทีมด้วยกันต้องมาฆ่ากันเองงั้นหรือสําหรับฉันก็บอกคุณอยู่นี่ว่าฉันสู้เขาไม่ได้ทุกอย่างอย่าว่าจะมือเปล่าๆด้วยกันเลยแถมมีใให้อีกเล่มฉันก็ทําอะไรเขาไม่ได้นี่เป็นเรื่องจริงและทดลองกันมาแล้ว ฉันแทงเขาไม่ถูกเลยหยุดพูดถึงเรื่องนี้ทีเถอะยิ่งพูดไปมันก็ยิ่งไม่เป็นการดีสําหรับฉันเขารู้เขาเขาก็คงโกรธเอาอีกไม่โกรธหรอกมีอะไรก็บอกในคนนี้ไปเสี้ยงให้หมดเธอเบลเขาจะได้กระจ่างชัดไม่ต้องมาคอยหลอกถามสืบค้นหายเสียวเวลาอยู่อีกเสียงเรียบเรีย บ, ยบดังออกมาจากหลังก้อนหินที่ทั้งสองนั่งกันอยู่พร้อมกัน ร, ร่างงามของไลลอาอมิเต็ตก็โผล่มายืนอยู่ทางด้านศีรษะของอิซาเบล ผู้นั่งตะลึงตัวแข็งทื่อรพินใครวันเงยขึ้นสํารวจร่างเรียวระหงที่ยืนเด่นอยู่นั้นด้วยสายตาเฉยเมยไม่กระพริบเกรดบุหรี่ช้าๆเอกจากซองขึ้นมาต่อกับก้นของตัวเก่าแล้วดีก้นบุรีเก่ากระเด็นข้ามโขดหินไปพูดทั้งยังข้า บ, บุรีอยู่น้ําเสียงแผ่วต่วําว่ะคริสถ้าคุณทําอะไรเบลอีกไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังผมก็ตามผมก็พร้อมแล้วที่จะป้องกันเบลไว้หล่อนยิ้มมุมปากซุดตัวลงนั่งซ้อนหลังเบลแล้ว อบกอดแม่ผมแดงไว้ฉันจะทำอะไรเขาความจริงเบลก็เปรียบเหมือนน้องสาวฉันกล่าวออนหวานนุ่มนวลดังนั้นแล้วหลอนก็จุ๊บริมฝีปากไปที่แก้มเบลผู้นั่งตัวสั่นอยู่เบาๆกระซิบว่าฉันขอโทษและเสียใจสำหรับเหตุการณ์เมื่อเชา้านี้ความจริงฉันไม่ได้ตั้งใจเลยหลอนเหลือบตามองดูเขากล่าวต่อไปพร้อมกับเลิกคิ้วโกงยาวสุดหางตาขึ้นข้างหนึ่งว่า อยากคิดว่าจะเป็นอุบายเล่กคนอะไรชันขอโทษเบลจากใจจริงและต่อหน้าคุณด้วยคุณพอใจหรือยังคุณรับพินพรายวันคล่องใจอะไรอีกไหมพรานใหญ่สุบรีเฉยตามองหน้าหลอนนิ่งอยู่เช่นนั้นคริสวรรณาเบาๆแล้วหันมาบอกกับเบลว่าขอบังคับการยินดีมากที่ติดต่อกับพวกเราทางวิทยุได้แล้วแต่เราก็ไม่ได้บอกรายละเอียดขัดข้องอะไรกับเขามากที่มากนักที่ขาดการติดต่อไปนานสามคนพูดวิทยุรายงานตัวขึ้นไปหมดแล้วขาดจะเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นที่รัก เขาต้องการได้ยินเสียงของเธอเพื่อให้รู้แน่ว่าพวกเราทั้งสี่คนยังมีชีวิตอยู่ครบแไ่พูดกับเขาหน่อยสิรายงานตัวด้วยว่าเสียงของเธอเองสั้นๆก็พอหัวหน้าใหญ่ข้างบนก็กำลังรอฟังเสียงเธออยู่เบลฟุดลุกขึ้นทันทีคว้าปืนประจำตัวที่วางอยู่ไกล้ๆแล้วเดินพระไปโดยเรลบัตนี้บนแท่นหินในซอกลับตานั้นจึงเหลือแต่เฉพาะคริสติน่าหรือไลล่ากับปรพินเพียงสองต่อสองเท่านั้นที่มองตา ก, กันอยู่หน้างเขาเย็นกระด้างเหมือนเดิม แต่เข้าหน้าของแม่ผมทองยิ้มพรายยิ้มหยันไปหรือยั่วพิจารณาไม่ถูกร็อปินขยับตัวจะลุกขึ้นพระไปเฉยเฉยแต่แขนยาวของคริสเอื้อมมากดไว้ที่ไหล่ของเขาเสียก่อนทำไมนะเดี๋ยวนี้คุณรังเกียจฉันนักหรือก็ไม่รังเกียจแต่ผมชักไม่ชอบอะไรหลายๆอย่างในตัวคุณอย่างน้อยที่สุดก็วิธีย่องมันเ ง, งียบๆแบบนี้ฉันก็เดินมาตามปกติธรรมดาของฉันเพียงแต่ว่าพ่ อ, อมาทางด้านหลังคุณกับเบลไม่ได้ยินเท่านั้นเองมีอะไรอีกที่คุณไม่ชอบฉันจะได้แก้ไข คุณไล่เบลไปทำไมเมื่อกี้นี้สาบานให้ตกนรกไม่ได้มีอุบายอะไรเลยพอบังคับการต้องการจะติดต่อกับเบลโดยตรงอาจารย์ให้ฉันมาตามเบลแล้วหลอนก็หัวเราะเอื้อมือมาหยิบบุหรี่ที่ยังคาบอยู่ในปากเข้าไปสูบหน้าตาเฉยต่อมาว่าดูคุณแปลกไปและลืมคําพูดของตัวเองแล้วที่พูดไว้กับฉันผมลืมคําพูดอะไรเสียงเขากระด้างจําไม่ได้หรือคุณเองนั่นแหละเป็นคนขอร้องฉันว่าบอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอให้ฉันพยายามกันเบลให้ห่างๆคุณไว้หรือจะปฏิเสธว่าไม่ได้ขอร้องฉันไว้ยอย่างนี้ ภาพหุดพลายอึ้งงินไปครู่อย่างจํานวนอืมใช่ผมเคยขอร้องคุณไว้เช่นนั้นจริงแต่วันนี้เดี๋ยวนี้คุณกลับเป็นฝ่ายหาโอกาสเข้าใกล้ชิดเบลใช่เองมันมีเหตุโดนใจนะคริสผมสงสารเด็กคนนั้นเมื่อเห็นปฏิบัติการอันไม่ยุติธรรมและถูก ค, มค่มขู่จากคุณก็เลยวางแผนยุยงให้เบลกระด้างกระเดืองเห็นฉันเป็นศัตรูและคิดที่จะให้เบลลองดีฉันหลอนเลิกคิ้วยิ้มยิ้มอีกครั้งขณะที่เป่าควันบุหรี่อย่างเจตนาแจ้งไปพุ่งไปทางเขา แต่ลมป่ายามบ่ายบนสันเขาพัดปลิวกระจายไปทางอื่นหมดใช่แต่ไร้ผลผมยุมไม่ขึ้นหรอกเด็กคนนั้นกลัวคุณหัวหดเลยแสดงว่าเข็ดเคี่ยวกันมาก่อนนานแล้วคริสตินาโบกมือพร้อมกับถอนใจยาวระพินบนความหยาบกระด้างเยน็นทื่อเป็นหินบนหลุมฝังศพอันเป็นเปลือกนอกคุณเป็นคนอ่อนไหวตัวอารมณ์เหลือกเกินนะมันเป็นลักษณะของคนโรแมนติกที่ไม่มีใครมองออกยกเว้นแต่ หลอนเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วต่อมาแผวเบาว่าอาจเป็นแพทย์หญิงที่ชื่อดารินคนนั้นกระมังซึ่งคนพบได้แต่ฉันก็พบคนพบได้เหมือนกันนะนอกจากเธอผู้นั้นอย่ามองฉันด้วยสายตายอย่างนั้นสิมันไม่น่าดูเลยถึงอย่างไรฉันก็นับถือและศรัทธาในตัวคุณคุณสุภาพบุรุษพรายคริสผมว่าผมจะไม่ถามอะไรคุณแล้วแต่ก็อดไม่ได้ตามสบายถ้าอยากจะถามหัวนหน้าคณะของคุณดร์แซนลีย์เขารู้ประวัติส่วนตัวของคุณมาดีก่อนหรือเปล่า ก็จำเป็นจะต้องรู้บ้างเราๆในฐานะที่ก็เป็นหัวหน้างานอาจแค่ห้าสิเปอร์เซ็นกระมังแล้วคิดล่ะรายนั้นไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความเป็นมาของฉันนักหรอกแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องรู้ทางนั้นคุณยอมรับไหมว่าคุณไม่พอใจเบลเป็นอย่างมากที่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคุณให้ผมรู้หล่อนแบะปากนิดนึงอาการแบะปากนั้นตามปกติแล้วไม่ว่าใครจะทํามันก็ทุเรศหน้าเกลียดทั้งสิน้นแต่บนริมฟี ป, ปากของคริสตินามันดูเก๋พิลึกยอมรับว่าครั้งแรกฉันชุนมาก เดียวนี้ไม่แคร์อะไรแล้วคุณจะรู้ก็รู้ไปฉันก็เคยบอกคุณแล้วว่าฉันไม่ใช่คนหยิบคนดีอะไรนะฉันไม่อยากมาทํางานครั้งนี้นังหลอกแต่ก็ต้องมาเพราะมันเป็นข้อแรกเรียนต่อรองดีกว่าติดอยู่ในคุกตั้งยี่สิปีอ๋อบางอย่างที่คุณไม่รู้ซึ่งฉันก็ขอบอกไว้เสเลยบางทีคุณอาจสงสัยว่าเหตุใดฉันจึงพอจะทําหน้าที่รักษาพยาบาลโดยเป็นผู้ช่วยเบลได้อย่างดีที่สุดก่อนหันมาเรียนทางเคมีฟิสิกส์ฉันเป็นนักเรียนแพทย์มาก่อนปีสุดท้ายแล้วระหว่างฝึกงานในห้องผ่าตัด จะพลาไปหน่อยกดมีดลึกเกินจําเป็นคนไข้าตายคามือใบประกอบโรคศีนไม่ออกง่ายและเกือบติดคุกเป็นครั้งแรกในครั้งนั้นการเรียนแพทย์สะดุดชะงักอยู่แค่นั้นทาไมงั้นฉันก็มีสิทธิ์จะช้เอ็มดีขึ้นทำนำหน้าเอ็มซได้อย่างเบลเหมือนกันหล่อนพูดดําเนินเรียบเฉยแต่ดูไม่จริงจังอะไรนะผมว่าคนไข้ที่ตายคาเตียงผ่าตัดไม่ได้ตายเพราะความสะพลาดของคุณหรอกแต่เพราะอารมณ์แซดิส ข, ของคุณจะมากกว่ากระมังไม่รู้สิฉันวิเคราะห์ตัวเองไม่ถูกหรอก เห็นครั้งแรกยังกับครูหรือแม่ชีงั้นแหละคุณไม่ได้บอกไว้เองหรอกหรืว่าพวกเขาไฟมันปกคลุมด้วยหิมะแต่อย่ากลัวไปเลยวกเขาไฟลูกนี้จะไม่พ่นเท่าลาว่าออกมาลวกคุณหรอกถึงลวกคุณก็ไม่เป็นอันตรายเพราะสิทธ์มีครูไม่ใช่หรือมิหนำซ้ำยังมียันกันภัยอย่างวิเศษติดแน่หัวใจอยู่ตลอดเวลาห่อนเอาหลังมือตกเบาๆไปที่อกเสื้อด้านซ้ายของเขาที่มีรูปของดารินบาราริศใส่หนัง ใส่ซองหนังบางๆแนบอยู่ทุกขณะนี่อยู่ตรงนี้ความจริงตอนที่ฉันเก็บได้ฉันควรเอาเผาไฟเสียแล้วไม่น่าจะคืนให้ถ้าคุณทำอย่างนั้นและผมรู้ทายถูกไหมผมจะทำยังไงค่าฉันไม่ใช่ฆ่าเฉยๆแต่จะค่อยๆแล่เนื้อออกทีละชิ้นเลยฉันคงถึงใครแม็กซ์ขีดสุดอีตอนนั้นเองนะหล่อนพูดหน้าตาเฉยเอ็นหลังพิงก้อนหินเหยียดท่าตามสบายอารมณ์ อ, อ้อ นอกจากจะเป็นแซดิสแล้วยังเป็นแม่โซคิสอีกด้วยหรือมันก็ปนปนกันอยู่สุตการเวลาซึ่งไม่แน่นอนอย่างเช่นขณะนี้เดี๋ยวนี้ถ้าคุณจะตบฉันซักเปรี่ยงเอาให้เลือดกรลบปากฉันคิดว่าชันควรมีความสุขที่สุดจิตใจผมเป็นปกติดีไม่ได้เป็นทั้งแซดิสและแม่โซคิสเพราะฉะนั้นเสียใจผมช่วยคุณในข้อนั้นไม่ได้กล่าวจบพรานใหญข่ขยับจะลุกขึ้น แต่คริสวัยพอที่จะคว้าข้อมือเขาก็ยังฉับพรันดวงตาสีฟ้าอันเป็นลักษณะสีตาของอเมริกันแต่แวว ล, ลึกซึ้งและกินใจอันเป็นคุณลักษณะของแววตาเอเชียนที่ปะปนกันอยู่มองประสานตาเขามันมีอำนาจจริงๆอำนาจราวกับแม่มดซึ่งก่อไปด้วยสเสนหาอานุภาพเสน่หาอนุภา พ, าภาพบิงบอลอ้อยอิงชนิดที่สะกดเขาให้ต้องตะลึงแลคริสติน่าขณะที่เขามองอยู่นี้รอนสวยจับจิตเหลือเกินเขายอมรับว่ารอนสวยจน ธาตุบุรุษในกายของเขาสัทานสั่นวาบบิ๋วทั้งๆ ท, ที่บรรยากาศสิ่งแวดล้อมก็ไม่อำนวยให้เลยกลางความระอุอบอ้าวของตะวันบ่ายและพักพวกคนอื่นๆที่ยังชุกชุมกันอยู่รอบด้านเต็มไปด้วยโดยมีมุมรับตาระหว่างเข้าและหลอนห่างกันไม่กี่19ก้าเท่านั้นพรีสลิมฟิปากบางสดตามธรรมชาตินั้นขยับและใบหน้าก็โน้มใกล้เข้ามาระพินภรยวันลืมตัวมือทั้งสองยกขึ้นจะโอบกอดแต่ทนนั้นเอง ก็เหมือนมีอะไรแล่นปราดผ่านไปในดวงจิตสำเนียคเสียงเพลงของแง่ทรายที่จำติดสมองแววเข้าสู่โสดส่วนลึกทว่าเสียงนั้นหาใช่เสียงของแง่ทรายไม่ห่างไกลเหลือไกลเกินห่างอ้างวางฝันเคยเคียงใกล้เธออยู่แห่งใดเธออยู่แห่งใดจิตใจว้วัน กระแสเสียงเหมือนหมอมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์ริบตานั่นเองเขาก็ชะ ง, งักมือที่กำลังจะโอบกอดกลายเป็นสะบัด ต, ตบฉากใบหน้างามของคริสติน่าสะบัดไปตามแรงตบด้วยหลังมือนั้นดวงตาทั้งคู่ของหล่อนหลับและเฉยนิ่งอยู่ในภาวะเช่นนั้นประพินเองตกลงไปแล้วตัวเองก็ตะลึงไปอีกเมื่อเห็นหล่อนเมื่อเห็นเลือดสีข้นค่อยๆไหลลินเป็นทางออกมาจากมุมปากของคริสมันไม่มากนะักแต่มันก็เป็นเลือด เลือดของหล่อนที่หลังออกมาจากการถูกตกได้หลังมือเขาเขาจ้องหน้าซีดเพราะความตกใจในการกระทําของตนเองพริสคงเบือนหน้าไปตามแรงตกและอย่างนิ่งดวงตาหลับอยู่เช่นนั้นต่อมาเขาเห็นหยาดน้ําใสๆไหลซึมออกมาจากดวงตาที่พริมหลับของหล่อนเป็นทางตามร่องแ g ้มไม่มากนะแค่สองสำยดเท่านั้นขอบคุณในความกรุณาของคุณหล่อนพึมพำแผวเผชิญหน้ากับพูดผีเสีิงร้ายไม่ว่ามันจะร้ายกาศสักขนาดไหน คนอย่างราพินก็ยังไม่พวักพวังวันไว้ตัดสินใจอย่างไรไม่ถูกเหมือนเช่นภาวะที่เขาเผชิญอยู่ในขณะนี้มันเป็นความรู้สึกที่ยากจะบรรยายชุนลมุนไปหมดทั้งสมองในที่สุดก็ ร, รวบเอาร่างของคริสติน่าเข้ามากอดประทับไว้กับอกและล่าละลักออกมาคริสโอ้คริ ส, รสผมไม่ได้มีเจตนาหรือตั้งใจเลยโปรดยกโทษให้ผมหลอนคงนิ่งเหมือนลูก ป, ปั้นอยู่เช่นนั้นรพินลุกนี่ลุกลนเช็ดให้ทั้งเลือดและน้าตางอะงสับสนปาก็พร่ำเรียกนามและขอโทษหลอนอยู่เช่นนั้น คริสติน่าค่อยๆลืมตาขึ้นขนตายาวงอนเปียกชุ่มน้ําแม้จะไม่หลังเป็นทางออกมาพยายามยิ้มแต่ก้มหน้าหลบตาเขาขยับตัวเอามือทั้งสองดันอกจะผละออกจากอ้อมกอดแต่ระพินยังรัดไว้แน่นปล่อยฉันเถอะค่ะคริสผมจะไม่ปล่อยคุณอย่างเด็ดขาดถ้าคุณไม่บอกว่าคุณยกโทษให้ผมผมปลาเถือนมากมันเป็นการใจดําอามาเหติจริงๆแต่ผมลืมตัวคุณลืมตัวกับเบลคุณปฏิบัติอย่างหนึ่ง แต่คุณลืมตัวกับฉันคุณปฏิบัติอีกอย่างหนึง่งฉันไม่มีอะไรจะยกโทษให้คุณหรอกเพราะคุณไม่มีโทษสิ่งที่คุณทำลงไปแล้วก็คือสิ่งที่ฉันขอร้องคุณเองไม่ใช่หรือคริสทกครางอย่างว้าวุ่นพยายามจะเช็ดซับน้ำตาให้แต่หลอนเบือนหน้าหนีผมยอมรับว่าผมขาดสติบ้าไปช่วขณะบอกผมสิคุณเจ็บมากมเจ็บค่ะเจ็บจากแก้มแปรขึ้นไปสู่ประสาทสมองแล้วก็สะท้อนปวดร้าวลงมาถึงขั้วหัวใจ ที่แรกฉันนึกว่าฉันจะมีความสุขแต่เปล่ามันไม่สุขเลยสักนิดหนึ่งรสชาติอันนี้ปล่อยฉันเถิดค่คุณรู้สึกตัวหรือว่าแปลว่าประคุณรู้สึกตัวหรือเปล่าว่าคุณกำลังลัดฉันอยู่ผมกอดคุณโดยเจตนาไม่ใช่ลัดลักษณะมันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละระวังบาปผิดทางใจของคุณเองนะฉันเตือนด้วยความหวังดีผมไม่รู้สึกเป็นความผิดที่กอดคุณอยู่อย่างนี้ แต่ผมรู้สึกเป็นความผิดอย่างไม่มีการอาภัยให้ทีเดียวที่ผมผู้ชายทาั้งแท่งดันผาไปตบหน้าผู้หญิงโดยที่เธอก็ไม่ได้ทำอะไรให้ผมสักนิดคุณไม่ได้ทำอะไรให้ผมเลยดีกับผมสารพัดแต่ผมกลับทำร้ายคุณโทนี่จะให้ผมทำยังไงดีถึงจะเป็นการลูกกระโทษให้คุณในครั้งนี้อย่าเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยลืมเสเถอะแต่คุณเสียใจและผมก็เสียใจเสียใจอ ย, อย่างที่สุดผมชอบคุณคริสโปรดได้ยินด้วยผมชอบคุณ คริสติน่าค่อยๆขืนตัวจนกระทั่งหลุดพ้นจากอ้อมแขนของเขาเอานิ้วบรรจงแตะน้ำตาที่จับพราวอยู่บนขนตาลงมาเงียบๆจากนั้นก็เอาน้ำตานั้นแตะเบาๆลงไปบนหลังมือเขาแล้วหันหลังกลับเดินพระจากไปทันทีประพินพัยวันยืนกายสั่นเทิมและสุดกายลงนั่งชันเข่ากับพื้นมือทั้งสองกลุ่มที่ขมับการพลัดพรากจากดารินวราฤทธิ์เป็นความทุกข์ทรมานอันดับหนึ่งที่ไม่ต้องเอ่ยถึง แต่การตบคริสติน่ากรูเบลเมื่อคู่นี้ตลอดจนได้รับอากบักริยาของหล่อนก่อนจะพระจากไปก็บีบคั้นหัวใจเขาเช่นกันกินลึกเป็นอันดับสองอันไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้นี่เขาจะทําอย่างไรดีหน้าของเขาเท่านั้นที่มันดูกระด้างเหมือนหินแต่หัวใจของเขามันหาใช่หินไม่จากผู้หญิงคนหนึ่งมาก็มีทุกภพบผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็มีทุกขและเป็นผลแห่งทุกที่เกี่ยวข้องสืบโยงกันเป็นลูกโซ่ดาริน ดารินดารินนั่นคือคาถาปรดทุกข์ระงับความฟุ้งซ่านที่เขาพยายามท่องภาวนาแต่ภาพที่คริสถูกตบใบหน้าสะบัดเลือดนิ่งไปภาพเลือดที่ลินออกมาจากมุมปากภาพน้ําตาค่อยๆซึมตลอดจนกิยุทธและถ้อยคําที่หลอนพูดกับเขามันก็ผุดซ้อนทับขึ้นมาชนิดที่ยากจะลืมให้หลอนฟาดเขาด้วยด้ามปืนให้พุทธสวัส ด, ดาทอให้ตรงเข้ามาทําร้ายตอบแทนรู้ใช้วาจากริยานเผ็ดร้อนที่สุดยังจะดีเสียกว่าเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งซึมเซื่อง ปวดร้าวแต่สินใจยังไรไม่ถูกในขณะนี้เจ็บค่ะเจ็บจากแก้มปราบขึ้นไปสู่ประสาทสมองแล้วก็สะท้อนปวดร้าวถึงขั้วหัวใจทีแรกฉนันนึกว่าจะมีความสุขแต่เปล่ามันไม่สุขเลยสักนิดจากรสชาติอันนี้ประโยคอันแผ่วเบาและชัดเจนกล้องอยู่ในโซลประสาทของเขาซึ่งแน่ละยากที่จะลืมจะได้นี่หรือหนังแม่มดของเบลนังข้าตกรตัวร้ายที่ล่าผู้ชายราวกับพรานล่าเนื้อ เขาไม่เคยคิดว่านั่นจะเป็นฉากละครรวงไม่คิดว่านั่นจะเป็นบทบาทการล่อเหยื่ของนางสมิงจะเป็นความรู้สึกจากจริงใจของผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งก็ไม่ประสงค์ที่จะให้เขาได้เห็นเลยเพราะตอนเองก็คงเตรียมการไม่ทันตรงข้ามกับกริยาอันกรมกรือื่นๆกลบเกลื่อนร่องรอยเสียตบหล่นทําไมเขาถามตัวเองแล้วก็ได้คําตอบในสองข้อคือหนึ่งตัวเองมองเห็นหล่อนขณะนั้นสวยเกินไปและจิตใจไม่ปกติต้องการจะทําลายบรรยากาศที่เกรงว่าจะระงับอารมณ์ไว้ไม่ได้นั้นให้สะ บ, บ้านลงเสีย สมีทุนเดิมที่ประชดลองดีและหมั่นไส้หลอนเป็นทุนเดิมอันเกิดมาจากการรับทราบประวัตร้ายโดยทําบอกเล่าของเบลซัดโครมลงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นหลอนร้องกริ๊ดกรีเต้นเล่าเลหรือเปล่าหลอนต่อสู้ตอบโต้เรากับแมวแาอย่างที่หวังไว้หรือเปล่าหลอนแสดงอาการหน้าด้านปลาสจากอย่างอายฉีกหนึ่เสื้อผ้าออกไล่ปล้ำเขาหรือเปล่ายักไหลแสดงว่ามีแคร์หรือก็เปล่าเปล่าทั้งนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดหวังไว้จะได้พบเห็นเลย กรจะริดสำ อ, อิลร้องไห้กระสิบกระซิบดีดดิ้นตีโพยตีพายเป็นลักษณะหนึ่งที่เขาคาดล่วงนะว่าจะเห็นจากเลขคนของสตรีที่อยู่ทุกชาติทุกภาษาแต่เขาคาดผิดไปหมดแล้เขาเห็นอะไรหลังจากนั้นเลือดจะกแรงตบน้ําตาที่พยายามซ่อนเร้นรอยเจ็บที่ดวงจิตซึ่งพยายามจะกลบเกลื่อนรอยอับอายและเจื่อนและในที่สุดก็เดินเลี่ยงหนีไปอย่างยอมรู้ตัวรับว่าแพ้อยู่ในที่แพ้ความใจดําของเขามาไว้ตัวตื่นขึ้ น, นจากข่วงรําพึง อันกระดกกรุ้ ม, มวูแววเสียงกระซิบเรียกเบาๆว่านายนายเป็นอะไรไปไม่สบายเหลอมันเป็นเสียงของกาเท่าบุญคําผู้เข้ามานั่งยองๆอยู่ข้างตัวตาใหญ่สะดุง้งลืมตาโปรงขึ้นและบัดนั้นเขาก็รู้สึกปวดหัวปวดจริงๆเนื้อาการเหมือนจะจับไข้พยายามจะลุกขึ้นยืนแต่แล้วก็ส่วนเสแต่พรานเท่าสมุนขวาโดดเข้าประคองไว้รวดเร็วยังตกใจนายนี่นา ย, นา ย, นายไม่สบายจริงๆด้วยแดดออกร้อนเปี้ยงแต่ตัวเย็นชืดเลยนายนั่งตรงนี้ก่อน จับเขากดกึ่งประคองให้นั่งลงันก้อนหินและยังไม่ทันเทรพินจะร้องห้ามอะไรออกไปตาเท่าก็เล่นอ้าวตรงไปยังกลุ่มนายจ้างโดยเร็วจอรมกุเทศพยายามจะทรงกายขึ้นยืนอีกครั้งแต่หน้ามันมืดมืดวิงว่งเวียนยังไรบอกไม่ถูกต่อมาเขาก็เห็นกลุ่มของนายจ้างพรูเข้ามาห้อมล้อมไว้ลองสักถามแทรกกันไปหมดรวมทั้งเชิดวุฒิด้วยในจํานวนนั้นมีแซนลี่คีธอิสซาเบลและเชิดวุฒิครบหน้าขาดเพียงคนเดียวเท่านั้นคริสตินาลอนไม่ได้หวนกลับมาอีกปลาปลาปลาผมไม่ได้เป็นอะไรเเเข้าาฝืนืนหัววรระโบกมอแลพูดดย็ แต่เสียงแหบแห้งกรบเกลื่อนต่อไปว่าแต่ําไปบอกอะไรกับพวกคุณนี่อิตเเบลปราดเข้าประชิดตัวเข้าทันทีจับแขนไว้ควา้าชีพจรและขมวดคิว้วประสิบถามเบาที่สุดได้ยินเฉพาะสองต่อสอ ง, สองเกิดอะไรขึ้นคริสทําร้ายคุณหรือคริสอยู่ไหนเสียงเขา เ, าเบาที่สุดเช่นกันฉันเห็นเขาเดินหน้าตาเฉยเป็นทั้งที่ก้อนหินโน่นคนเดียวไม่กลับมารวมกลุ่มกับพวกเราบอกซิเขาทาอะไรคุณบีชฉันเตือนคุณแล้วให้ระวังตัวประพินกล้ามเกรืนอะไรที่ น, นี่ลงคอ ใช่ผมระวังตัวระวังตัวจนกระทั่งขี้ขาตาขาวแล้วกลายเป็นคนทํร้ายคริสไปซะเองทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรผมสักนิดบาดซกคําหลังเขาสบดสาบแช่งตัวเองอิสเบลดูมันจะไม่เข้าใจคําพูดของเขานะักทาหน้างงขณะนั้นลาพินก็บุยใบายทาสัญญาณให้นายจ้างทุกคนที่กำลังเข้ามายืนมุงอยู่ให้นั่งลงเหมือนจะปรึกษางานตัวเองยังพูดอะไรขณะนั้นก่อตัวเองยังไม่พูดอะไรขณะนั้นก่อนทั้งสิน้นควักกระเป๋าเสื้อหยิบเอาตลับโลหะแบนๆเก่าๆที่บรรจุยาส่วนตัวของเขาเออกมาเปิดฝาออก แล้วเลือกได้ยาลักษณะกลมแบนสีขาว2เม็ดขยับจะใส่ปากหมอเบลเห็นเข้าก็คว้ามือฉับอะไรน่าจะกินยาอะไรแอสเพเรนเบลผมปวดหัวนิดหน่อยไม่เป็นอะไรมากหรอกเดี๋ยวก็เรียบร้อยบอลแล้วก็โยนเข้าปากเคี้ยวเชิญบุษสงกติกน้ํามาให้ก็จึงรับมาเปิดฝากรอกใส่ปากดืม่ม2 อ, อึ ก, ก็ส่งคืนสบัดหน้าอยู่สองสาครั้งและฝืนตีหน้าเป็นปกติเป็นยังไงคเนลคริสคเนลคริสวิทยุเครื่องใหญ่ติดต่อกับบอกองคุณได้สะดวกเรียบร้อยดีหรือ นันเป็นการพูดถึงการงานที่กรบเรื่อนร่องรอยทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างดีที่สุดเรียบร้อยดีมากละพินชัดแจ๋วเลยไอ้พวกนั้นด่าพ่อร่อแม่ลงมาใหญ่ที่เราขาดการติดต่อไปนานหลายสิบชั่วโมงแต่เราก็ไม่หยุนฐานะที่จะบอกรายละเอียดอะไรทั้งหมดที่เร า, าเผชิญให้พวกนั้นรู้ได้นอกจากบอกว่ามีอุปสรรคขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยและยำแท้มันบอกลงมาว่านึกว่าพวกเราลงนรกกันไปหมดแล้วพีท บ, บอกพางหัวเลาะพลางแน่ใจไหมครับว่าขณะนี้พวกเขารู้ว่าเราอยู่ตรงตำแหน่งไหนเขาถามไปเช่นนั้นเอง ก็พอจะรู้ตามพิกัดของแผนที่ทางอากาศถ้าพวกนั้นอ่านไม่ผิดอ๋อหมอเบลเมื่อกี้นี้คริสมาตามคุณบอกว่าทางบกต้องการพูดกับคุณเขาต้องการพูดกับคุณจริงหรือเปล่าลานใหญ่หันไปสอบถามอิสซาเบลเพื่ออย่างอะไรบางอย่างซึ่งได้ก็ได้รับคําตอบว่าจริงเขาต้องการฟังเสียงพวกเราทั้งสี่คนโดยให้รายงานตัวตามลําดับทุกคนไม่มีอะไรมากหรอกเขาต้องการรู้ให้แน่ชัดว่าอาจารย์คีธคริสและชันยังมีชีวิตอยู่ครบถ้วนเรียบร้อยดีทุกคน ระพินพยักหน้านั่นแปลว่าคริสติน่าไม่ได้มีลูกม้หรืออุบายอะไรเลยที่เข้ามาแซงขัดจังหวะเมื่อครู่นนิเชอร์บุตรก็สอดพระงค์ขึ้นตามนิสัยวะเสียดายมากระพินที่หอบังคับการไม่อนุญาตและไม่สนใจยอมรับว่าผมเป็นคนหนึ่งของคณะอเมริกันทั้งสี่คนนี้ด้วยเลยและไม่ต้องการพูดกับผมบ้างถ้าเขาให้ผมมีโอกาสพูดติดต่อผมจะได้บอกว่าทุกคนถูกพรานนําทางหลอกไปตกเหวตายหมดแล้วด็อกเตอร์แซนลีย์บนตบหลังนายทหารหนุ่มไทยโดยแรง พองคอบอกต่ำๆว่าบ้านาวุธคุณรู้หน้าที่ดีอยู่แล้วว่าคุณมาในฐานะอะไรพวกนนั้นไม่รู้จักคุณแล้วคุณก็ไม่มีรหัสที่จะติดต่อได้ถ้าพูดขึ้นไปเขาก็จะไม่ตอบลงมาก็เหมือนเหมือนกับกะเหลียงหรือชาวป่าพวกนั้นแหละถ้าพวกเราสีคนนี้ไปถามอะไรเขาาก็ยังไม่ยอมตอบอะไรทั้งนั้นนอกจากกระพินเท่านั้นที่พวกเขาจะยอมติดต่อด้วยขอทีอย่าพูดอะไรเป็นเชิงบน่นทําลายให้แตกแยกไปหน่อยเลยเราร่วมเป็นร่วมตายมาถึงเพียงนี้แล้ว และคุณในฐานะตัวเชื่อมกลางระหว่างรพินกับพวกเราทุกคนก็ไม่น่าจะพูดอะไรให้รพินต้องคิดมากเออผมมันปากมากเสซวะขอโทษทีเชิดบุตรกระตุกไหลแล้วบอกอ่อยๆคิดกับอิซาเบลมองหน้าบุตรชายท่านในพลอยังไม่พอใจนะบนอะไรพัมรพินไม่สนใจอะไรอีกนัดแผนที่ซึ่งได้รับแจกเป็นครั้งแรกกับแผนที่ส่วนตัวของเขาออกมาคลี่เปรียบเทียบกันดูพิจารณานิ่งไปครู่ในขณะที่ฝ่ายอเมริกันพากันล้อมวงเข้ามา เรากำลังจะออกเดินทางต่อภายในไม่เกิน10นาทีผมจะอธิบายให้พวกทันทราบ พ, พอสังเกตว่าขณะ น, นี้พวกเราอยู่ที่ไหนและจะบ่ายหน้าไปทางไหนก่อนตลอดจนภูมิประเทศแวดล้อมเขาพูดแล้วเงยหน้าขึ้นมองดูทุกคนที่ไายล้อมอยู่กล่าวต่อไปว่าขาดพวกเราไปคนหนึ่งครับคือมิสกรูบิลผมคิดว่าเธอควรจะมารับฟังและเข้าใจไว้ด้วยทั้งหมดหันดูกันแล้วก็เพิ่งจะมารู้ว่าขณะ น, นี้คริสติน่าไม่ได้มาร่วมด้วยในคริสจึงลุกขึ้นยืนชะโงกพลแง่ยิ้มออกไปตะโกนเรียกคริส ผู้นั่งกอดเขานิ่งอยู่คริสมานี่หน่อยเรากำลังจะหาหรือกันเกี่ยวกับการเดินทางแม่ผมทองไม่ได้ตะโกนตอบยังนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมแต่ใช้วิทยุประจำตัวพูดตอบมาเรียบๆ เ, เบาๆว่าตามสบายเถอะอาจารย์และพวกเราทุกคนอยู่ที่นั่นแล้วฉันไปร่วมด้วยก็คงไม่ช่วยอะไรได้มากหรอกขอนั่งพักเหนื่อยตามลำพังหน่อยพร้อมจะออกเดินทางเมื่อไหร่บอกก็แล้วกันเสียงในคิดซึ่งไม่รู้อะไรเช่นเดียวกับทุกคนตะโกนโบกเบรกเรียกมาอีกระพินยิงสะกิดแขนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับอย่าไปกวนเธอเลย เรามาหาเรือกันเองก็ได้พางจอมมักคุเทยก็เหลือบขึ้นดูตะวันบนท้องฟ้าและจําเริงเปรียบเทียบกับนาฬิกาข้อมือดึงปากาลูกลื่นที่เน็บปากกระเป๋าเสื้อขึ้นมาขีดวงใน ล, ลากเส้นบางๆประกอบคําอธิบายลงไปบนแผนที่ส่วนตัวของเขาขณะนี้เราอยู่ที่จุดนี้ครับซอกระหว่างสันเขาติดกับบริเวณหุบหมาหอนทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของหุบเป็นหุบลึกลับลักษณะแองกระทะที่กว้างใหญ่และทึบมากภายในวงเขาสลับซับซ้อนที่ล้อมอยู่รอบ นาบริเวณของหุบหมาหอนมีลักษณะเป็นวงรีเหมือนรูปไข่เต็มไปด้วยหนองบึงและป่าชื้นแฉะหมู่บ้านห้วยเสือร้องที่เราจะมุ่งไปโดยนำอากเรเหลียงอพยพพวกนี้ไปทิ้งไว้ที่นั่นด้วยก็ตรงอยู่ตำแหน่งนี้เขากากระบาลลงไปยังเป้าหมายในแผนที่กล่าวช้าๆต่อไปในขณะที่ทุกคนซึ่งล้อมวงดูอยู่จ้องแผนที่และสงบฟังอย่างตาให้กระพริบดูตามแผนที่นี้จะเห็นได้ว่าระยะทางที่ใกล้ที่สุดก็คือ ภายหลังจากลงจากซอกเขานี้ไปแล้วเราจะต้องตัดมุมถ้ำของภูเขาตำแหน่ง X นี่ทะลุเข้าบริเวณหุบหมาหอนปากทางที่จะมุดเข้ามีน้ำตกขนาดใหญ่กระโจนผ่านปากถ้าซึ่งถ้าคนไม่รู้ทางมาก่อนสายน้ำตกจะปิดปากถ้าไว้ไม่ให้เห็นเราจะต้องลุยน้ำและผ่านมานน้ำตกเข้าไปจึงจะพบปากถ้าซึ่งโดยหนทางที่มุดลอดไปใต้ภูเขานี้ใช้เวลาเดินเพียงสองชั่วโมงก็จะโผล่เข้าไปในบริเวณหุบเดินเลาะผ่าน ที่ลุ่มชื้นแฉบเป็นหนองเป็นบึงอีกราวหนึ่งชั่วโมงเสร็จก็จะถึงห้วยเสือร้องเอาเว้นระยะเอาด้ามปากกาแตะริมฝีปากแล้วนิ่งไปชั่วขณะจิตเหมือนจะใช้ความคิดอะไรบางอย่างทางนั้นเราก็ควรจะถึงห้วยเสือร้องก่อนทุ่มของวันนี้ซึ่งก็ไม่ช้าเกินไประพินครับโดยเส้นทางที่ผมบอกนี่ก็แปลว่าหลังจากนี้อีกไม่เกินสมชั่วโมงเสร็จเราควรจะถึงห้วยเสือร้องซึ่งเป็นเนินเขาที่ลาดสูงเหนือระดับที่รุ่มของหุบหมาหอนแต่ จอมพรานยิ้มเล่นๆเลือบมองไปยังกองคาราวานกระเรียงที่หยุดพักกันอยู่ไม่ห่างไกลออกไปนะักมันมีปัญหาครับปัญหามากเสียด้วยเกี่ยวกับสภาพของการเดินทางเป็นคาราวานแบบนี้ปัญหาอะไรฝ่ายนายจ้างรวมทั้งโชิดบุษถามขึ้นเรากับนัดกันไว้ในถ้ำที่เราจะมุดเข้าไปจะใช้เวลาเดินประมาณสองชั่วโมงโดยไม่เห็นแสงตะวันเลยนี่แหละครับอันตรายมากเพราะมืดสนิทและทางเดินมันมินเมย์ลืเกินเต็มไปด้วยเหวลึกเป็นปล่องเป็นโพรงลงไปนับไม่ถ้วน ถ้าลำพังพวกเรากันเองหรือกะเหลียงผู้ชายจะกันล้วนๆก็ยังพอระวังกันได้แต่นี่มันมีทั้งเด็กผู้หญิงและคนแก่ยิ่งกว่านั้นยังสัมภาระอีกมากมายถ้าเราลอดใต้ถ้ำน้ําตกนี้เข้าไปผมไม่แน่ใจว่าจะโผล่ออกอีกฝากหนึ่งกะเหลียงพวกนั้นจะเหลือรอดสักกี่คนเพราะคงจะพลัดตกเหวกันเป็นละนาวสมัยก่อนที่ผมเคยนําคณะในจ้างตามช้างร้ายเข้าไปในถ้านี้พวกเราล้วนตัวเปล่าและแรงชะกันและแข็งแรงชะกันได้วกันทุกคนมีจํานวนไม่เกินเจ็ดแปดคนเท่านั้น เราก็ยังต้องใช้เชือกผูกเอวเชื่อมโยงกันไว้ทั้งหมดเพื่อคอยช่วยเหลือกันถ้าใครพลาดแต่พวกนี้มีจํานวนกว่าครึ่งร้อยแบกหามสัมภาระหนักไปอย่างอิลุงตุงนังผมว่าผมระวังให้ไม่ไหวหรอกครับนอกจากอันตรายในถ้านี้แล้วพอโผล่อีกทางหนึ่งก็จะผ่านลุ่มต่าดังบอกแล้วจระเข้กับงูพิษ ช, ชุมยังกระนอนอาจต้องข้ามบึงเป็นบางตอนแม้ทุกคนจะโชคดีมุดถ้ารอดออกไปได้ตอนข้ามบึงก็ต้องเสี่ยงอีกเป็นอย่างมากระยะทางมันย่นย่อดได้มากกว่าจริง แต่มันเป็นการสมควรหรือไม่ที่เราจะเอาชีวิตของก็เรียงอพยพรวมทั้งพวกลูกหาบของเราเองด้วยไปเสี่ยงลําพังพวกคุณห้าคนผมพอจะรับรองความปลอดภัยให้ได้แต่ลูกเล็กเด็กแดงผู้หญิงคนแก่อีกมากมายผมคุ้มครองไม่ไหวเพราะฉะนั้นจึงอยากจะขอความตัดสินใจเราเอากันว่าจะเอาอยัางไงทั้งสี่คนอึง้งกระพริบตาปริบปริบต า, บบตามองแผนที่แล้วจ้องหน้าเขาเป็นตาเดียวคุณไม่ต้องการให้พวกเราคนใดรวมทั้งก็เรียงที่เรานํามาด้วยในครั้งนี้ จะต้องมีการตายขึ้นอีกแม้แต่คนเดียวเพราะเมื่อรวมทางกันมาแล้วก็ต้องถือว่าพวกเขาเป็นคนของเราด้วยหัวหน้าคณะพูดเ้าหรือนอกจากทางลัดที่คุณว่านี้ได้แล้วหนทางอื่นอีกมีบ้างไหมมีครับแต่มันอ้อมและเดินไกลและเกินเกรงว่าจะต้องให้ถึงเที่ยงคืนของคืนนี้ก็ยังไม่ถึงหนทางที่ว่านี่ก็คือไต่ไปตามเส้นทางบนสันเขานี่สูงขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงยอดสูงสุดของเทือกที่เรียกกันว่าเทือกศักด์ดำนี่ไต่ลงตะวันออกเฉียงเหนือไวเสียร้องรออยู่ทางลงอีกด้านหนึ่งเหมือนกัน คืนนี้ไม่ถึงจุดหมายแน่แต่ต้องพักค้างบนยอดค่ะยอดสั ก, สกดําสรุปก็คือเสียเวลาไปอีกหนึ่งวันเราเสียเวลากันมาหลายวันหลายครั้งหลายหนแล้วละพินทําไมจะยอมเสียเวลาอีกสักคืนหนึ่งไม่ได้เลือกเอาวิธีเดินอ้อมแต่หนทางปลอดภัยพอสมควรดีกว่าการตัดสินหรือต่อรองเป็นหน้าที่ของอเมริกันอาวุโสโตแต่เพียงคนเดียวความจริงคุณควรจะตัดสินใจได้ดีกว่าพวกเรานะไอเกลอือคีดสอดมาผมเองก็ไม่แน่ใจจะตัดสินใจถูกหรือผิด ถึงต้องบอกความจริงและขอความเห็นด้วยเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นก็อย่ามาโทษกันภายหลังฟังให้ดีนะคะผมจะสรุปอีกครั้งหนทางที่เราจะไปถึงห้วยเสือร้องขณะนี้มันมีอยู่สองทางคือทางลัดกับทางอ้อมทางลัดนั้นเดินลําบากมากเพราะปรู ม, มีประเทศอันตรายยากแก่การเดินของขบวนใหญ่แต่ก็ถึงที่หมายเร็วส่วนทางอ้อมหนทางเดินสะดวกสบายพอสมควรแต่จะไปลําบากเอาตอนพักแรมบนยอดเขาและระหว่างเส้นทางเดินก็ดีแลอระหว่างพักนอนคืนนี้ก็ได้เราอาจถูกโจมจีซัม จากโครงให้งาดำอี ก, ก็ได้เพราะฉะนั้นมาช่วยกันใคร่ครวญให้ดีว่าหนทางไหนจะสะดวกปลอดภัยสําหรับพวกเราที่สุดรวมทั้งกเกเรียงพวกนั้นด้วยคําพูดของเขาต้องทําให้ฝ่ายนายจ้างต้องคิดนานทีเดียวคิดกับแซนลีซุปซิบอะไรกันพึมพำอิสเบลกับเชิดวุฒไม่มีความเห็นนอกจากรอฟังอยู่เท่านั้นระหว่างที่พวกนั้นยังตัดสินใจอย่างได้ไปไม่ได้จอมพรานบอกมาอีกว่าผมมีทางให้เลืออีกทางหนึ่งครับไม่ทราบพวกคุณจะเห็นด้วยหรือเปล่าคือพวกคุณทั้งห้าคนลูกคหาอีก5คู่สิคนรวมทั้ง ผมด้วยคนยังรวมเป็น11คนเราใช้ทางลัดรอใต้ภูเขาน้ําตกไปและเข้าไปถึงห้วยเสือร้องก่อนส่วนกองอพยพพวกนี้แล้วให้พวกเขาเดินไปทางอ้อมโดยผมจะมอบการพื้นเมืองทั้ง4ี่คนคือบุญคํจาจันเกิดและเสรืยเป็นผู้คุมขบวนทําหน้าที่คุ้มกันให้พวกนี้ซึ่งก็แปลว่าเราแยกกันออกไปเป็นสองพวกจุดนัดพบที่ห้วย จ, จุดนัดพบที่ห้วยเสือร้องโดยพวกเราจะไปถึงและรออยู่ก่อนโดยอยู่ภายในค่าวันนี้ส่วนบุญคําจะนําอีกพวกหนึ่งไปถึงในลาวเที่ยงของพรุ่งนี้ แดนลี่สันชี้สะช้าช้อย่างไม่เห็นด้วยและจะมีประโยชน์อะไรแม้ว่าจะแยกพวกกันออกโดยเราไปทางลัดอีกพวกหนึ่งไปทางอ้อมเราไปถึงก่อนเราก็ต้องรอพวกนั้นอยู่ดีนั่นแหละการไปถึงก่อนของพวกเราจะมีประโยชน์2ทางครับหนึ่งเมื่อถึงห้วยเสือร้องเร็วเราก็พอจะสืบความเรื่องเครื่องบินตกได้เร็วขึ้นในกรณีที่พวกคุณใจร้อนและ2เราไม่ต้องเดินไกลเพียงแต่อาศัยความระมัดระวังและประจ ol ภัยกันหน่อยเท่านั้นผมไม่เห็นด้วยในข้อ น, นั้นหรือใครคิดยังไงหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นแล้วหันไปมองคิด อิสเบลและเชิดบุตรอีกสามคนก็ ค, คล้อยตามอเมริกันโอเวอร์โศคีตเป็นคนบอกว่าเรามาด้วยกันเราก็ควรจะไปด้วยกันนะรับพินไม่สมควรจะแยกกันเลยผ ม, ผมรู้ว่าคุณผมรู้ว่าคุณเชื่อมือพรานสี่คนของคุณที่จะให้ความคุ้มครองก็เลี้ยงพวกนี้ได้ในกรณีที่โคขงไอ้งาดําโจมตีหรือดักเล่นงานอีกแต่กะเลียงพวกนี้ยังมีความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งทันทีถ้าหากไม่มีคุณอยู่ให้พวกเขาได้เห็นได้อุ่นใจใครจะเป็นหลักประกันให้แก่ชีวิตพวกเขาได้ถ้าหากคุณแยกตัวนําเฉพาะพวกเราไปเสียอีกทางหนึ่ง เมว่าพวกนี้จะรวลเรขวัญเสียกันไปหมดนั่นแหละต่อให้มีพรานทั้งสี่คนคอยคุมไปก็ตามเถอะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการแสดงน้ําใจของพวกเราด้วยว่าเราไม่ทอดทิ้งเขามาด้วยกันก็ต้องไปได้วยกันพรานใหญ่ซ่อนยิ้มยังพอใจยิ่งคบกันไปนานเห็นน้ําใจกันนานเข้าอเมริกันพวกนี้ก็เริ่มจะลดความเห็นแก่ตัวและเห็นแก่ได้ลงและมีน้ําใจที่กว้างขวางเศรษฐาเพิ่มขึ้นข้อเสนอของเขานั้นเป็นแค่การลองอย่างน้ําใจเท่านั้นป่าใหญ่ไพรกว้างก็เป็นเช่นนี้แหละ ใครมาร่วมเป็นร่วมตายทุกญากกลากรั่มร่วมลาบากชีวิตมันกันเมื่อใดธาตแท้ดั่งเดิมของแต่ละคนก็ย่อมจะพิสูจน์ออกมาได้โดยไม่ยากจอมพรานบอกกับตนเองว่าเขาชนะอยู่เนื้อจิตใจในายจ้างอันตรายพวกนี้แล้วอย่างน้อยก็กว่าครึ่งคุณวุฒิว่าอย่างไงครับเขาแกล้งหันไปถามบุตรชายท่านในพลผมก็ว่าพวกเราไปด้วยกันดีกว่าอย่าแยกกันเลยคุณหมอเบลล่ะบอนหัวเราะเบาๆอัดควันบุหรี่ลึกคุณไพร์วัน อิสเบลเอ่ยนาม <_ an> เขาอย่างเจตนาจะเน้นให้ชัดเจนที่สุด <_ an> คุณเคยคิดว่าพวกเราใจดําและเห็นแก่ตัวอย่างร้ายที่สุด <_ an> คุณอย่าปฏิเสธคุณเคยคิดอย่างนั้นแต่คุณเองนั่นแหละ <_ an> แต่ยิ่งใจดําเห็นแกนตัวกับพวกเราซะอีกถ้าคุณทอดทิ้งกระเรี่ยงพวกนี้ให้ไปตามลําพังโดยไม่มีคุณหรือพวกเราอยู่ให้การปกป้องคุ้มครองเขาด้วยรานสี่คนของคุณเรายอมรับว่าเขามีฝีมือแต่ถ้าขาดคุณฉันเชื่อว่าพวกเขาจะแก้ปัญหาต่างๆได้ยากหากมันเกิดปัญหาขึ้น เราช่วยเกรียงหมู่บ้านตะเคียนทองมาได้ด้วยดีแล้วจะมาทอดทิ้งเขาเชียกลางคันงั้นหรือถ้าคิดว่าอยากจะไปนอนที่หมู่บ้านห้วยเสื อ, อร้องให้สบายโดยไปให้ถึงก่อนพวกนี้ฉันก็ว่าคุณเองนั่นแหละล่วงหน้าไปคนเดียวตามลําพังดีกว่าทิ้งพลานทั้งสไว้กับพวกฉันและพวกฉันจะคุมก็เกรียงพวกนี้ไปเองเอาไหมบทจะนักเลงขึ้นมาอิสเบลก็เด็ดสตรีทได้ดีเหมือนกันเกินคาดจะอีกแสดงว่าครบได้ไม่เหยาะแยะนักหรอกแต่แม่ผมแดงแรงสเสน่คนนี้แม่จะอาวุโสต่ำที่สุดในคณะ งนั้นความเห็นกันเป็นเอกฉันเป็นอันว่าเราจะยอมเสียเวลาหนึ่งวันโดยเลือกเอาผลทางอ้อมที่ปลอดภัยในการเดินทางมากกว่าสุภาพบุรุษพรสรุปทับแผนที่เก็บใส่ย่ามหลังแล้วลุกขึ้นยืนหันไปสั่งกับบุญคําที่นั่งยองๆอยู่ไม่ห่างออกไปนักว่าบุญคําไปตามเสยเกิดและจันมาที่นี่เดียวนี้เอามาเฉพาะพวกเรานะพวกลูกหาวหรือกเหลียงไม่ต้องให้มีใครตามมาด้วยแต่เท่ารับคําลุกขึ้นเดินรี่วไปทันที จอมพรานก็หันมาทางกลุ่มในจ้างของเขาก่อนออกเดินทางผมมีอะไรจะให้พวกคุณดูครับผมมาถึงที่นี่และคอยอยู่ตรงนี้นานเกือบครึ่งชั่วโมงและได้สำรวจพบอะไรเข้าโดยบังเอิญก็ตั้งใจไว้วาให้หยุดพักทานอาหารให้เรียบร้อยสบายใจกันเสียก่อนและเมื่อจะเคลื่อนย้ายที่นี่ไปจ้ะก็จะให้นําไปให้เห็นคําพูดของเขาปกติธรรมดาที่สุดสีหน้าก็เฉยเมยจนจับสังเกตอะไรไม่ได้อะไรหรือละพินแซนลี่ถามโดยเรียวอ่านสิอ่านสีหน้าเขม็งเดี๋ยวครับ ให้คนของผมสี่คนมาถึงเสียก่อนและเราจะได้พูดพร้อมๆกันผมจำเป็นจะต้องให้คนของผมเห็นด้วยอ้อคริสละครับพวกคุณไม่ชวนเธอมาด้วยหรือหวหน้าคณะยกวิทยุขึ้นพูดทันทีคริสนี่เป็นคำสั่งมาที่นี่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าราพินจะมีเรื่องสำคัญมากที่พวกเราจะต้องรู้คริสติน่าหันขวามมาทันทีแล้วก็เห็นอิสซาเบลกับเชิดบุตรกักมือเรียกอยู่ยอยๆจึงจำใจต้องขยับตัวซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่บุญคำนำอพราทลูกน้องอีกสามคนเดินรวมกลุ่มเข้ามาถึงพร้อมกันพอดี เอาละครับทุกคนปลุสำรวมจิตตั้งสติให้ดีแล้วตามผมมาทางนี้ที่ขวามือของเส้นด่านตัดเทือกเขาซึ่งทุกคนกำลังพักกันอยู่ขณะนี้หาออกไปจากตำแหน่งที่ทั้งคณะยืนชุมนุมกันอยู่ออกไปเพียงไม่เกิน25เมตรเท่านั้นเป็นตำแหน่งที่โขดหินใหญ่มะฮือมาก้อนหนึ่งตั้งวางเอ็นอยู่ลักษณะรูป ผ, ผารูปร่างเหมือนครกยักษ์ที่ตั้งอปากขึ้นฟ้าและเอ็เป็นมุม30องศามาสู่เส้นทางเป็นหินเกลี้ยง ม, มีไม่มีถาวันหรือพันไม้หินใดอาศัยเกาะติดอยู่เลยแต่ลึกเข้าไปเป็นฉากหลังของหินก้อนนั้นคือป่าทึบจอมมคัคุเทศเดินช้าๆนากลุ่มนายจ้างและพรานพื้นเมืองคู่ใจทั้งสี่ของเขาตรงไปที่นั่นเมื่อใกล้เข้ามาทุกคนไม่ได้พูดอะไรกันเลยในขณะนั้นก็สังเกตเห็นก้อนหินขนาดย่อมๆที่ขึ้นเรียงรายเหมือนจะเป็นบริวารของหินใหญ่อันตั้งตั้งงานอยู่บางก้อนเป็นรอยถูกถูกสะดุดหรือถูกเหยียบด้วยน้ําหนักตัวอันมากมาย พลิกหุดจากตำแหน่งที่มันเคยจมพื้นอยู่ที่เดิมสังเกตเห็นได้ง่ายมากเนื่องจากเป็นรอยใหม่ๆไม่เกินวันสองวันมานี้เองจากร่องรอยเดิมที่ก้อนหินเหล่านั้นเคยจมพื้นอยู่จะเคลื่อนจากตำแหน่งเดิมทําให้เห็นพื้นเบื้องล่างของรอยพลิกหินคล้ายๆมีใครมาแงะสัตว์ไว้คล้ายมีใครมาแสะงัดไว้ความแห้งผาของพื้นโดยปกติกับความชื้นของดินใต้ก้อนหินที่ถูกพริกย่อมแตกต่างกันเห็นชัดแม้ว่าบริเวณนั้นจะเป็นพื้นดินลูกรังและหินดานแข็งกระด้างก็ตาม ช้างแน่แน่มันมาป้วนเปียนเดินเหยียบก้อนหินเล็กๆเหลา่านี้พริกเอาไว้เสียงด็อกเตอร์สแตนลีย์คลางออกมาเบาๆขณะที่จ้องสำรวจไปตามพื้นการเริ่มคุ้นเคยกับสภาพความเป็นไปของป่าทําให้คนเหล่านั้นพอจะจับประหัสสำเนียอกได้ทันทีจากกล้องรอยที่เห็นเราพินไม่ได้กล่าวอะไรในขณะนั้นทั้งสิน้นเพียงจะเดินก้าวข้ามก้อนหินเหลา่านั้นใกล้เข้าไปยังโขดหินใหญ่แล้วอ้อมฐานนําเข้าไป ทางด้านหลังโดยโบกมือให้คนทั้งหมดตามเข้าเข้าไปพอทุกคนเดินอ้อมฐานหินมะหืมาตั้งตั้งงานโดดเด่นอยู่ลงมาสู่เบื้องล่างก็พบเข้ากับแอง่งอันมีลักษณะเป็นเหวหรือบอ่อตื้นๆลึกไม่เกินสาเมตรจากของเบื้องบนและวงของแอ่งมีลักษณะกป็นจัดกลมเนื้อที่ประมาณยี่สิบตารางเมตรภายใต้ร่มเงาอันใหญ่สองต้นที่จะยืนตั้ ง, งานสูงเสียด ฟ, ฟ้าประพินยืนอยู่ตรงนั้นในขณะที่ทุกคนก็พวดเข้ามาเรียงหน้ากระดานมองลงไปในแอ่งหิน โดยที่เขาไม่จําเป็นจะต้องชี้บอกและพูดอะไรทั้งสิน้นเนื่องจากภาพปรากฏมันบอกตัวเองอยู่แล้วที่เสียงคีดกับเชิดพูดอุทานหนั ก, นกๆออกมาในลําคอพร้อมกันเรากับเคมินไล่ควายสแตนลีย์อิสเบลคริสและพรานทั้งสี่คนของเขาดูจะกลายเป็นหินกันในชั่วขณะจ้องภาพที่ไม่ห่างลงไปนั้นตาไม่กระพริบระยะเวลาที่ดูเหมือนเจตนาจะปล่อยให้คณะนายจ้างทั้งหลายได้ปรับจิตใจและค้นหามูลเหตุที่มาเอาเองนี้ ปรพินไพรวันจุบรีซุมเงียบๆอาการของเขาปกติธรรมดาที่สุดตามบุคลิกที่ทุกคนรู้จักบุญคําจันทร์เกิดและเสยลูกศิษย์ก้นกุฏิของเขาทั้งสีขยับตัวจะตายตามแง่หินลงไปทันทีแต่แล้วก็จะงักเมื่อพรานใหญ่บอกมาว่าไม่ต้องลงไปหรอกเสียเวลายืนมองอยู่บนนี้ก็เห็นชัดๆอยู่แล้วคําพูดเรียบๆประโยคนั่นของเขาที่ทําให้ฝ่ายนายจ้างทุกคนได้สติไว้ตัวและบุญคําซึ่งสุดตัวลงจะตายลงไปเป็นคนแรกก็ลงนั่งยองๆทาปากหมุบหมิบเหมือนจะสวดคาถาอะไรของแกอยู่ตรงนั้น เบื้องหน้าของทุกคนท่ามกลางความสว่างของยามบ่ายแม้จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของกิ่งไม้ก็ตามคือกองซากของไอ้ผีดิบซึ่งนอนระเกะระกะบางซากก็ซ้อนทับกันในลักษณะที่ถูกโยนมาทิ้งไว้ในแอ่งนี้แต่ละซากก็คือซากที่ทุกคนเคยเห็นมาแล้วแข็งทื่อประดุดท่อนไม้เยี่ยงวัตถุโบราณหาการเวลาไม่ถูกรูปร่างขนาดและสภาพของการแต่งกายต่างๆกันออกไปมีทั้งหมดอยู่สิบซากพอดีนับได้ง่ายๆจากความโล่งและตื้นปลาฉาจากซอกมุมรับตาของแอ่งนั้น ที่ทำให้ทุกคนสัท้าจะเทือนที่สุดในขณนะนี้และพากันจ้องไปเป็นจุดเดียวก็คือสองซากซึ่งเคยพบเห็นเมื่อย่างคุณนตาที่สุดและไอ้ซากหนึ่งคือซากที่เคยถูกกับระเบิดของเชิดวุทที่เหลืออยู่เพียงครึ่งตัวเฉพาะด้านบนตัโพกกับขาด้านล่างขาดหายไปกับอีกซากซึ่งรพินเคยยิงขาพับทําลายกระดูกสบ้าหัวเขา่าทําให้มันไม่สามารถจะลุกมาเดินได้นอกจากใช้วิธีคลานมาทั้งสองซากนี้เล่นงานเขาก่อนเมื่อคืนวันศืน ก่อนที่เขาเองจะถูกมันตราล่อไปตกเหวเกือบดับขันแล้วหลังจากนั้นมันก็เข้าไปคานอรารวาสอยู่ในแคมป์พักของให้เกิดโกราหนสยองขึ้นทั้งขบวนก่อนหน้าที่กองทัพช้างผีสิงจะบุกเข้าโจมตีบัดนี้เจ้าซากพิการชมาลุททั้งคู่ได้ถูกนํามาโยนทิ้งกองรวมกับซากอื่นๆตรงบริเวณเดียวกันนี้ด้วยตีปัญหาออกหรือ ย, อยังครับว่าอะไรเป็นอะไรสําหรับสิ่งที่เราเห็นอยู่นี่ในที่สุด เขาก็ทำลายความเงียบของหมู่คณะทุกคนขึ้นโดยถามรวมๆไปยังฝ่ายนายจ้างอเมริกันซึ่งบัตนี้แต่ละคนยืนตาพองหน้าซีดเพราะความตกใจที่จู่ๆโดยไม่คาดฝันก็ถูกพามาให้เห็นล่วงหน้าเลยเบลถอยหลังไปพิงกับโขก้อนหินใหญ่มีอาการเหมือนจะเป็นลมกำลังใจและขวัญของหลอนไม่กล้าแกร่งนักส่วนคริสติน่า ยืนมองดูสิ่งเหล่านั้นด้วยสายตาเยียบเย็นซ่อนความรู้สึกแท้จริงไว้ภายในมิดชิดยิ่งนานวันยิ่งพิสูจน์ออกมาได้ว่าแม่ผมทองผู้นี้แกนแท้ภายในแล้วก็เบล็กเพชรขนาดผู้ชายอกสามสอกักพวกของหล่อนเองยังแทบตาเหลือกตาปริ้นกับสิ่งที่นํามาพบแต่คริสยืนมองดูเฉยกึ่งจงหนกึ่งใจตรองขบคิดสแซนลีเม้มริมฝีปากเกิดเป็นเส้นตรงตาสีฟ้าเคร่งของเขามีประกายลึกขณะที่พยักหน้าช้าชใช่ผมนึกออกแล้ว ระพินไอ้ซากผีดิบเล่านี้ก็คือจํานวนหนึ่งของซากอันมากมายที่มันบุกเข้ามาพร้อมกับกองทับช้างเมื่อคืนวันสืนเขาเล่นงานเราในระหว่างที่คุณถูกล่อไปตกเหวพอรุ่งขึ้นเช้าเราพบแต่ซากช้างที่พวกเรายิงตายเป็นเบือเต็มไปหมดแต่กลับไม่พบซากของไอ้ผีดิพวกนี้เลยความจริงก็คือภ า, าาะะภายหลังจากที่เราปะทะมันภายหลังจากที่เราปะทะมันไว้ไม่ไหวและบุญคําสั่งให้พวกเราทั้งหมดทิ้งแคมปะหนีขึ้นหน้าผา โดยมีพวกช้างยังชุมนุมอยู่ข้างล่างก่อนจะถอยไปเมื่อใกล้ลุ่งช้างผีโคลงนั้นได้นํำอสซากนรกที่ไม่อาจใช้งานได้อีกแล้วเหล่านี้ผลมาทิ้งไว้ที่นี่ที่ว่าไม่อาจใช้งานได้อีกนั่นก็คงหมายถึงว่าแต่ละซากวิญญาณร้ายจะไม่อาจหวนเข้ามาสิงสู่เพื่อนําให้มันเคลื่อนไหวทําการใดใดได้อีกเนื่องมาจากถูกยิงด้วยกระสุนปืนลงอาคมของบุญคําตามที่คุณได้เคยอธิบายให้เราเข้าใจมาแล้วความเข้าใจของผมเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหม จอมพรานก้มชิษสนิดหนึ่งถูกต้องครับซากที่มันแอบเอาขนมาทิ้งสมไว้ที่นี่ก็คือซากที่จะนำไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อีกแล้วเนื่องจากโดนกระสุนปืนลงสายเวทแก้เคล็ดของบุญคำกับพวกที่ใช้กระสุนเข้าพิธีเหล่านั้นพูดง่ายๆก็คือตายสนิทและไม่แผงฤทธิ์ได้อีกแล้วทั้งๆ ท, ที่ความจริงไอซ่าอุบาทเหลา่านี้มันก็ตายมาแล้วนานแสนานานนับอายุไม่ได้ และเพื่อเป็นการกลบเกลื่อนซ่อนหลักฐานมันก็บังคับให้โคขงช้างนํำซากล่านั้นมาแอบซ่อนทิ้งไว้ที่ที่นี่โดยคิดไม่ถึงว่าเราจะมาพบเข้าแต่เราก็พบเข้าจนบังเอิญเมื่อใกล้รุ่งของคืนวันซืนนั้นแหละครับตอนมันถอยกลับออกจากบริเวณใต้หน้าผาแล้วนี่คุณมาพบเข้าได้ยังไงคิดถามเร็วปรือผมมาถึงที่นี่ก่อนทุกคนร่วมครึ่งชั่วโมงอย่างที่เรียนแล้วระพินตอบก่อนตัดสินใจแน่นอนว่าจะให้พวกเราพักกันที่นี่ ผมตรวจบริเวณครั้งแรกก็ไม่ได้เฉียวคิดอะไรทั้งสิ้นบังเอิญมาสะดุดใจเมื่อเดินเข้าใกล้หินใหญ่ก้อนนี้เข้ามาสังเกตเห็นรอยหินเล็กๆถูกเหยียบพลิกไว้หลายก้อนและมีร่องรอยของช้างจึงเดินอ้อมมารตรวจ ด, ดูที่นี่ก็เลยเห็นอย่างที่เรากําลังดูกันอยู่ขณะนี้แหละผมไม่ได้เรียนให้ทราบแต่แรกเพราะเห็นว่ายังไม่ใช่เรื่องสําคัญนะแต่เมื่อเรากําลังจะออกเดินทางจากที่นี่ไปผมก็เลยชวนพวกคุณทุกคนรวมทั้ทคทคทงคนของผมให้มาเห็นไว้ว่าไอ้ซากผีดิบ ที่ถูกลูกปืนอาคมหมดฤทธิ์ลงในคืนวันซืนพวกมันขนมาทิ้งไว้ที่นี่เองและเป็นหลักฐานยืนยันให้เราทราบแน่นอนข้อหนึ่งว่ากระสุนปืนลงอาคมของบุญคําสามารถทําลายพวกมันได้จริงๆไม่ใช่เพียงแค่คาดคะเนเอาเท่านั้นเป็นกําลังใจให้พวกคุณเชื่อมั่นได้ว่ากระสุนที่บรรจุอยู่ในปืนแต่ละกระบอกซึ่งใช้กระสุนที่บุญคาเข้าพิธีปลุกเสกไว้แม้เพียงนิดเดียวที่กระทบล่างไอ้ผีดิพวกนี้มันก็จะหมดฤทธิ์ทันทีเอาละ ว, ว่าต่อไปอีกไม่ได้อย่างเด็ดขาด กระสุนปืนของเราฆ่าหรือทําลายมันได้แล้วไม่ใช่ยิงทะลุผ่านตัวไปแล้วยังเดินเฉยเหมือนสมัยก่อนนี้นายจ้างอเมริกันทุกคนรวมทั้งเชิดบุญมีสีหน้าดีขึ้นในทันทีตามองไปที่ตัดเท่าบุญคําผู้นั่งย่องๆ อ, อ, อยู่ปากแองโดยไม่ทราบว่าเจ้านายทั้งหลายพูดถึงกแกเองว่าอย่างไรเชิดบุญดีใจและเลื่อมใสแกขีดสุดถึงกับเดินก็ไปกอดคอตะพนเั่าสิทธิเอกของระพินไวเด็ด <Dead S 2> เลยลุงคําให้มันได้อย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าลูกสิทธิเอกของระพิน บุญคำไม่รู้เรื่องทำหน้าตื่นอะไรนายทหารเชิดวุฒแกล้งชี้ไปยังซากมื่นปีที่นอนสุ่มอยู่ในแอ่งข้างล่างแล้วถามว่าไอ้ผีตายซากที่นอนกองซุ่มอยู่นี่จะลุกขึ้นมาไล่กัดและบีบพวกคอพวกเราได้อีกไหมสะพลานเท่ายิ้มแห้งๆ แ, แล้วตอบตามภาษาซื่อของแกเนื่องจากฟังไม่เข้าใจว่าเราผิดพูดอะไรกับพวกนั้นไว้ก่อนแล้วเพราะพวกนั้นใช้ภาษาอเมริกันในขณะนั้น บุญคำก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไอ้พวกนี้ก็คือพวกที่บุญคำจันท์เกิดเสยและนายทหารเช่วกันยิงไว้ตอนที่มันบุกเข้ามาพร้อมกับกองทัพช้างเมื่อคืนก่อนเท่านั้นมันถูกขนมากองไว้ตรงนี้รวมทั้งไอ้ตัวขาดครึ่งท่อนที่คานเข้ามาไล่งับพวกเรากลางปางพักโน่นด้วยและบุญคำก็มองไปทางเจ้านายโดยตรงของแกนายขอบุญคำลงไปตรวจดูไอ้ผีพวกนี้หน่อยได้ไหมอยากตรวจดูทุกตัวว่ามันโดนปืนเข้าที่ไหนมั่ง อยากลงไปดูก็ได้แต่เร็วหน่อยนะให้เวลา3นาทีเท่านั้นเพราะแอ่งนั้นไม่ลึกลงไปนักบุญคำฝากไลเฟินไว้กับเกิดแล้วสองคนโดยแกกับจันที่จัดว่าอาวุโสที่สุดในกลุ่มพวพรานพื้นเมืองของรพินก็กระโดดดุบลงไปในแอ่งนั้นทันทีช่วยกันเดินตรวจไปตามซอกแข็งทื่อช่วยกันเดินตรวจไปตามซากแข็งทื่อเป็นท่อนไม้ หรือท่อนหินอย่างนั้นอย่างทีท่วนซุบซิบอะไรกันอยู่เบาๆตลอดเวลาทุกคนรวมทั้งระพินยืนดูอยู่บนขอบแอ่งครู่เดียวบุญคำก็ร้องบอกมาว่านายไม่ผิดไปหรอกไอชุดที่นั่งขี่มาบนคอช้างบุกโจมตีปางพักเรองเมื่อคืนมันซืน้นั่นแหละทุกตัวมีรอยกระสุนจุดสเจดห้าทั้งนั้นอย่างน้อยก็ตัวละนัดถูกกลางอกก็มีหัวก็มีบางตัวก็ถูกแขนช้างขนพวกมันมาซ่อนเอาไว้ที่นี่ จอมพลานโบกมือเป็นสัญญาณเอาลรขึ้นมาได้แล้วไม่ต้องไปแตะต้องหรือทําอะไรมันอีกทั้งนั้นแล้วก็ไม่ต้องบอกให้ลูกหาหรือก็เรียงทุกคนรู้ว่าเราพบอะไรตรงนี้เลวขึ้นมาทั้งสองคนจันไตขึ้นมาโดยเรือบุญคํายืนยิ่งสะกดจิตเหมือนจะบริกรรมอะไรอยู่อึดใจก็เพนก็เพนตามขึ้นมาละพินบอกให้คณะนายจ้างของเขาทั้งหมดพระออกจากที่นั่นแล้วเพื่อเริ่มเดินทางคริสติน่าพระออกจากที่นั่นเป็นคนแรกอาการของหล่อนดูเหมือนจะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น คีธเชิดวุตรและแซนลี่เดินรวมกลุ่มมาเบลคนเดียวที่ยังนั่งเหมือนหมดแรงอยู่ใต้ฐานก้อนหินใหญ่ที่บงังปากแองไว้ประพินกำลังจะเดินผ่านอยู่แล้วเหลือบมาเห็นเขาก็ส่งมือไปให้จับฉุดหลอนให้ยืนขึ้นแล้วแตะเบาๆที่หลังเป็นเชิงกระตุ้นเตือนให้เคลื่อนไหวเข้มแข็งหน่อยเบลตอนนี้ดูคุณจะาป่อแป้อ่ อ, อนแอลงไปมากทั้งร่างกายและจิตใจหล่อนยิ้มชืดๆขอบคุณที่ตัวเตือนให้รู้ตัวนอกจากความเป็นสภาพบุรุษได้ในส่วนลึก คุณยังเป็นคนมีเมตความเมตตากรุณาอีกด้วยและขอโทษที่คุณอาจรู้สึกขึ้นมาว่าฉันเริ่มจะเป็นภาระที่คุณต้องคอยกังวลอย่าพูดว่าเป็นภาระที่ต้องคอยกังวลไม่เฉพาะคุณหรอกทุกคนนั่นแหละล้วนเป็นภาระของผมทั้งนั้นถึงผมก็อาจเป็นภาระของพวกคุณเหมือนกันถ้าเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาตอนที่คริสไปตามฉันและฉันพระไปรับวิทยุก็พูดอะไรกับคุณก็พูดอะไรกันไม่มากไม่มีเรื่องอะไรที่คุณจะต้องกังวล เบลเหลือบมองหน้าเขาอย่างแครงแคงไม่สิ้นสงสัยฉันเห็นเขาเดินพระกลับมาแล้วต่อมาบุญคำก็วิ่งมาตามพวกเราบอกว่าถ้าทางคุณจะไม่สบายเมื่อเราเข้าไปถึงเห็นคุณนั่งเอามือกุมหัวอยู่ถามจริงๆเถะคริสทำร้ายอะไรคุณหรือเปล่าคุณระแวงหรือหวาดกลัวคริสมากเกินไปคริสเป็นใครและผมเป็นใครคุณถึงมาคอยห่วงว่าเขาจะทาร้ายผมฉันไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะทร้ายทางกายแต่ทาร้ายทางจิตใจ เป็นต้นว่ะเน็บแนมหรือเสียดสีอะไรไปถึงผู้หญิงคนที่คุณรักทำให้คุณไม่สบายใจระบินระพินฝื้นหัวเราะเบาๆสันศีษะหวนคิดไปถึงภาพตนเองที่ตบคริสจนหน้าสะบัดเลือดไหลออกจากมุมปากและน้ำตาไหลซึมจากดวงตาซึ่งแน่ละภาพนั้นลืมยากไม่หรอกคริสไม่ใช่คนโง่ถึงขนาดนั้นถ้าบังเอิญว่าเขาจะทาร้ายจิตใจผมไปบ้างแล้ว ก็เป็นการทำร้ายโดยที่เขาไม่เจตนาและผมก็โต้อตอบเข้าไปแล้วรุนแรงพอสมควรทีเดียวมันทำให้ผมไม่สบายใจอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้แต่ถึงอย่างไรผมก็ทำไม่ผิดผมว่าผมทำได้ถูกต้องและประโยคหลังเขากล่าวหนักแน่นออกมาเหมือนจะพูดกับตนเองแล้วเดินห่างออกจากอิสเบลผู้พยายามจะสอบค้นหาความจริงไปในทันทีขบวนกเรเียงอพยอถูกต้อนให้เดินไปเบื้องหน้าก่อนภายใต้การนาของจันและบโบเมียหัวหน้าหมู่บ้านตะเคียนทอง ขนทางเดินระยะนี้สะดวกขึ้นบ้างแล้วเพราะอาศัยเส้นทางขนาดใหญ่ที่ทอดไปในระหว่างยอดเขาต่อยอดอันเป็นด่านช้างบางครั้งไต่ขึ้นสูงบางครั้งก็ทอดลงสู่ที่ต่ําลาดชันเกือบจะเป็นแนว45องศาหุบเหวมีอยู่ทุกระยะทั้งสองฝั่งทางป่าชุ่มเขียวชวยอุ่มบางขณะก็จะเห็นหมู่เมฆลอยเลี่ยอยู่ต่ําระดับเส้นทางเดินลงไปไกลลิบลิบเหมือนยอดไม้ของป่าทึบในบริเวณหุบหมาหอนการเคลื่อนขบวนในครั้งนี้ ไม่มีอะไรเล่ยงร้อนคงคืบหน้ากันไปตามสบายเพราะรู้จุดหมายปลายทางแน่นอนว่าแต่ย่างไรเสียก็ไม่มีทางที่จะทําเวลาให้ไปถึงจุดหมายได้ต่อให้ยืดระยะเวลาในการเดินทางภายหลังตะวันตกดินไปแล้วสักสามสี่ชั่วโมงก็ตามทุกคนของฝ่ายนายจ้างก็จะมารู้สึกตัวว่าวันต่อวันที่ละพินนําทางไปตามลําดับนั้นค่อยๆไต่ระดับสูงกว่าพื้นราบหรือนําทะเลขึ้นมานับเป็นพันๆฟิตก็ต่อเมื่อมองเห็นเมฆที่ลอยต่ํา กับพื้นดินที่ตนเองกำลังเดินอยู่ขณะนี้เองเมื่อเหลือบลงไปยังยอดของป่าสูงริมทางเดินและก็ตามธรรมเนียมปกติวิสัยของชายผู้นั้นตามความรู้สึกของนายจ้างขณะเมื่อออกเดินทางเขาจะไม่เปิดโอกาสให้หนายจ้างคนใดได้ซักถามหรือสนทนาเลยโดยถ้าไม่รังท้ายเว้นระยะห่างอยู่หลังขบวนสุดก็จะหายลิบไปทางด้านหน้าหากไม่จาเป็นจริงๆแล้วจะไม่เข้ามาเดินเคียงรวมกลุ่มด้วยอาจ ระยะต้นๆบ้างเท่านั้นที่เดินรวมหมู่อยู่ด้วยแต่ชั่วไม่นานก็แยกตัวซึ่งทุกคนจับเคล็ดข้อนี้ของเขาได้แล้วไม่มีใครกังวลคอยถามหาเพียงแต่ว่าทุกๆหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านไปหากไม่เห็นวี่แววหรือเงาของเขาบ้างเลยแซนดี้จะเป็นผู้เรียกทางวิทยุเชิงซักซ้อมทดสอบวิทยุรับส่งซึ่งเขาจะตอบมาเพียงสั้นๆพร้อมทั้งหลายงานให้ทราบว่าขณะนี้กําลังอยู่ที่ไหนเท่านั้นเดินแล้วเนินเล่าที่ทางขบวน อ, อัยาวเหย็นบุกบันรอนแรมกันไปตะวันชิงพบลงเป็นลําดับจากมูวิปภูมิประเทศสองฝากฝั่ง เส้นทางที่เชิงเขาของป่าดิบบัดนี้และและเห็นภูเขาหินล้วนๆจางงานเงื่อนสูงเลี้ยวไปทางสองข้างโดยบีบขนทางเดินอันมีลักษณะเป็นถนนให้ผ่านเข้าไปในระยะระหว่างแนวบีบขนาบของสองฝั่งผาที่เต็มไปด้วยโขดหินตะปุ่มตะป่ําใหญ่น้อยนับไม่ถ้วนเหล่านั้นเส้นทางเดินเป็นเสมือนตรอกที่ตัดผ่านเข้าไปในระหว่างซอกตึกมหฮมาอันประดับไปด้วยโขดหินสิลาลายมีแต่ไม้เล็กและหญ้าบางชนิดเท่านั้นที่งอกแซมอยู่ประปราย แดดผีตากพระออมซึงสาดมาทางเบื้องหลังของขบวนส่องจับไปบนภูเขาลักษณะประหลาดนั้นสะท้อนประกายแดงแสดราวกับฉากที่อาบไว้ด้วยไฟสีทั้งงดงามจับตาทั้งเปล่าเปลี่ยววังเวงอย่างไรบอกไม่ถูกขณะนั้นเองเริ้วขบวนของกเกรียงอพยพที่เดินนำอยู่เบื้องหน้าและเพิ่งจะผ่านเข้าสู่แนวขนาบของภูเขาหินทั้งสองด้านก็พากันหยุดชะ ง, งักอยู่อันเนื่องมาจากเป็นเส้นทางสายตรงและเดินเรียงแถวตามกันมา ไม่เป็นระยะหะขบวนห่างกันนะักฝ่ายนายจ้างจึงสังเกตเห็นการหยุดอย่างกระทันหันนั้นได้อย่างถนัดการหยุดของพวกเกรียงทําให้ขบวนลูกหาที่ตามมาด้านหลังพรอยหยุดไปด้วยเอ๊ะนี่อะไรกันพวกนั้นหยุดทําไมกันคิดร้องอย่างประหลาดใจขณะที่คัมเม้นมองไปเบื้องหน้าสแตนลีย์เหลือบดูนาฬิกาข้อมือชี้บอกเวลา 16.45 หนแม้จะใกล้ค่าเต็มทีสําหรับบรรยากาศของขุนเขาลําเนาภายัยแต่มันก็ยังมีเวลาที่จะเดินต่อไปได้อีกอย่างน้อยก็2ชั่วโมงสําหรับเส้นทาง ที่แลดูสะดวกราบเรือนไม่ต้องบุกลุกบุกพงเช่นนี้คงไม่หมายความว่าจะมีการหยุดพักตั้งแคมป์นอนกันที่นี่นะภูมิประเทศมันไม่อํานวยให้หยุดพักได้เลยเวลาก็ยังมีเหลืออยู่ก่อนตะวันตกดินวันหน้าคณะเ อ, อ่ยขึ้นอย่างชงหวนชงหายครั้นแล้วทันใดก่อนที่ใครจะเ อ, อ่ยเช่นไรต่อไปนั่นเองเสียงของรพินไัยวันซึ่งไม่มีใครได้รู้เห็นว่าขณะนี้เขาอยู่ที่ไหนก็ดังกล้องขึ้นจากวิทยุทุกเครื่องของฝ่ายนายจ้างที่เหน็บเอวอยู่รพินเรียกทุกคนครับเรียกทุกคนเรากําลังรอฟังข่าวคุณอยู่แล้วว่ายังไงไไมีออะรรหื ผมสั่งให้ขบวนกรลอพยพที่เดินอยู่ด้านหน้าหยุดและขณะนี้ขอสอบทราบว่ามีพรานของผมคนใดอยู่ใกล้กลุ่มพวกคุณบ้างทุกคนมีอาการง ง, งหันไปรอบๆแล้วก็มองเห็นเกิดกับเซยเป็นพรานคุมกันอยู่บด้านหลังรังท้ายขณะที่กําลังก้าเข้ามารวมหมู่ด้วยมีเกิดกับเซยผู้ที่ตอบออกไปคือชิดพุจขอให้เกิดรู้เซยพูดกับผมหน่อยเะทรับเสียงบอกมาแม่จะฟังดูราบเรียบธรรมดาแต่ก็มีแววร้อนรนแสงอยู่ชัดชโยดุจหันไปคว้าแขนเกิดผู้ยืนอยู่ใกล้เขาที่สุดแล้วยกวิทยุ เมื่อถือจอที่ปากเจ้าพรานเด็กหนุ่มทันทีบอกว่าพรานใหญ่ต้องการพูดกับนายเอ้าพูดกับเขาได้เลยเกิดพูดทับนายเจ้าเกิดพูดกลอกเขาเป็นวิทยุเหมือนตะโกนเกิดฟังให้ดีนะเสียงจอมพรานดังมาเป็นภาษาไทยเจตนาโดยตรงที่จะให้ฝ่ายในจ้างอเมริกันส่วนใหญ่ซึ่งก็รู้นเข้าใจภาษาไทยได้รู้เรื่องหยุดพวกลูกหักของเราไว้ตรงนั้นก่อนอย่าให้เดินแซงขึ้นมาเกรียงด้านหน้าฉันหยุดไว้แล้ว ไ, ได้ยินดังนั้นทัทง้ทงๆที่ไม่มีใครรู้เรื่องหรือเข้าใจเหตุการณ์ใดๆทั้งสิน้นฝ่ายนายจ้างก็กำลังจะก้าวเดินไปข้างหน้าโดยแซงขบวนลูกหา่าหยุดชะนัก ท, ทันทีเกิดฐานไปตะโกนบอกเสยและเจ้าเสยก็ห่อแนบไปขวางหน้าขบวนลูกหา่าทั้งหคู่ไว้ลูกหา่าหยุดแล้วครับนายถึงตะโกนมาอีกเอาลาคราวนี้สั่งให้ลูกขบวนหาของเราถอยหลังช้าๆไม่ต้องรีบร้อนถอยย้อนกลับทางเก่าให้ไปอยู่ในระหว่างเนินเขาสองด้านที่เป็นป่าทึบ พร้อมที่จะเข้ากําบังโคนไม้ใหญ่หรือก้อนหินได้ทันทีถ้าหาเกิดอะไรขึ้นแล้วมิฉะนั้นก็ให้มองหนทางไว้ก่อนว่าจะไปหนีขึ้นเขาทั้งสองด้านที่เป็นป่าทึบได้เกิดกับเซย์เขาระวังขงบวนของลูกหับไว้ด้วยพวกกะเหลี่ยงข้างหน้านี้ก็กำลังจะถอยไปสมทบอยู่ขณะนี้แล้วครับนายเกิดรับคาโดยเร็วและตะโกนก้องกับลูกหับทั้งหาคู่เอ้ยถอยก่อนถอยเร็วถอยลงมาทางเดิมไปหยุดที่ปลวกใจริมทางดงข้างหลังโน่นชิปหายแล้วสินี่เกิดอะไรขึ้นนี่เชิญวุฒเนหาตโกนนล่นขึ้นเพรต้ยินเสียงโต้ตอบระหวงเกิด กับประพินย่างถนัดสเตนลี่คิดและ abel, อิสซาเบลพะพบหน้ากันเลิกลากกระจามสายกันไปหมดส่วนคริสติน่ายืนกัดเล็มฟีปากดีตามองไปยังขบวนเมืองหน้าซึ่งเห็นกำลังถอยมาเป็นทิวย้อนทางเดิมโดยมีโบเมียนา ย, นายบ้านโบกปืนแก๊ปต้อนมาพวกนั้นถอยกันอย่างเงียบๆประพินทำไมคุณไม่บอกเรานี่ว่ามันเกิดอะไรกันสเตนลี่กรอบเสียงดังลัน่นเป็นในวิทยุ ข, ของเขา ทุกท่านฟังผมและกรุณาปฏิบัติตามด้วยผมขอให้อิสเบลและคริสติน่าอยู่ในกลุ่มของพวกลูกหาบที่ถอยโดยมีคนของผมสองคนคือเกิดและเซย์อคอยให้การช่วยเหลือหากจําเป็นส่วนด็อกเตอร์สแตนลีย์เคเนลคริสและคุณโชิดวูดโปรดเดินขึ้นมาเดินมาตามเส้นทางด่านนี้นะครับผมกังยืนคอยอยู่แล้วเมื่อไต่ขึ้นมาแล้วจะเห็นมองเห็นเองว่าผมอยู่ตรงไหนเฮมิสเตอร์ฮันเตอร์นี่อยู่จะบอกอยู่จะไม่บอกเลยรู้ว่าเหมันเกิดนรกโจกเปรตอะไรขึ้นคริสติน่าหรือไลล่า แผลเสียงศูนเ์ไปในเครื่องรับส่งวิทยุเป็นประโยคแรกนะัตั้งแต่เดินทางช่วงหลังซึ่งวันไม่ปรีปร๊ปากพูดอะไรกับใครเลยจนคําเดียวคริสและเบลโปรทำตามคำสั่งผมปลอ่อยพวกผู้ชายที่เอ่ยนามแล้วขึ้นมาพบผมส่วนคุณสองคนคุมพวกลูกหาบไวเทลคิสฟลุสวา่าลั่นยังลืมตัวหันกลับไปทางอิสเบลว่ายังไงเบลเธอจะอยู่กับพวกลูกหาบหรือไม่ฉันจะตามขึ้นไปด้วยเราต้องรู้เห็นได้ตาว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหน้ากระพานนั่นบังอาจแลนะสั่งการกับเราอย่างงี่เง่าที่สุดไม่มีปัญหาเสียงของ แม <c oughs> าวทั้งสองที่อตเโลตอบโต้กันเองจะไม่แววเขาวิทยุหรือแววถึงระพินในขณะนี้ด้วยบัตรโดนนั่นเองดอร์แซนดี้กเป็นหัวหน้าคณะทั้งหมดก็พยักหน้าบอกเฉ็บขาดว่าพวกเราทั้ง5คนคือผมเชิดวุฒิคีดเบลและคริสขึ้นไปทั้งหมดนั่นแหละระพินส่วนพวกลูกหาให้เกิดและเสด็คอยดูแลไว้เราวจบแซนดี้ก็สลัดไลฟเฟิอนออกจากลายมาถือไว้วิ่งเหยาะๆนาหน้าไปก่อนทันทีโดยสวนกับขบว น, นของเกรี่ยงที่ถอยล่นกันมาลิสติน่าอิสเบลและคริสก็กลัวตามไปติดชววนนัั้ขยบจะิ่งตาติด้าระดุใใจทํหกโเข้าาหเกิดยยัดด็วุฒิน เกิดในเอาวิทยุเครื่องนี้ไว้แล้วเปิดคอยรับฟังอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่งั้นจะไม่รู้เรื่องกันเลยเจ้าพรานเด็กหนุ่มไม่งโง่นักและพอเข้าใจวิธีใช้วิทยุมือถือแบบพิเศษนั้นได้เป็นอย่างดีเนื่องจากครุกครีใกล้ชิดและเห็นวิธีใช้อยู่ก่อนแล้วคว้ามาทันทีชดวิกก็กลัวตามพรรคพวกที่วิ่งลงน้ำไปก่อนแล้วนั้นไต่ทางชันขึ้นไปโดยไลังล่หลังติดติดระยะมันดูด้วยสายตาว่าไม่ห่างไกลกันนะักระหว่างตำแหน่งที่ไในในจ้างไต่กำลังไต่ทางรีบด่วนขึ้นไปขณะ น, น, นี้เพื่อมุ่งตรงขึ้นไปยังช่อง เขาเห็นโดยหนทางลาดชันสูงขึ้นไปนั้นแต่เมื่อออกแรงวิ่งบ้างเดินบ้างรุดหน้ากันขึ้นไปในภาวะเร่งร้อนทําเวลาเช่นนี้ก็ปรากฏว่าเต็มกลืนทีเดียวหนทางสายนั้นมันลวงตาแท้ๆก็เส้นทางสูงชันนี่แหละที่เราเรลียงอพยพซึ่งเดินเป็นขบวนอยู่เมืองหน้าได้พากันถอยร่นกันลงมาตามคาสั่งของราพิมยังไม่มีใครเห็นตัวเขาในขณะที่ประเกียกตะกายแข่งกันขึ้นไปยันกับบุญคาซึ่งไม่ได้ถอยลงมาในหมู่พวงนั้น้วยก็ไม่ปรากฏให้เห็นเหมือนกันไม่ทราบวะทั้งสามแฝงตัวอยู่ที่ใดจนกระทั่่งพักใหญ เงื่อโชกเรากับอาบน้ําและกําลังคาอ่อนเพี้ยทับจะหมดแรงทีเดียวณในจังอเมริกันทั้งสีผู้หอบจนตัวยโยนก็บรรลุถึงปากช่องหินตะวันเบื้องหลังที่จดขอบกับลายเขาซึ่งยิ่งสาแสงสีแดงจัดเรากับเป็นสีเลือดดูปราดเมื่อขึ้นมาอยู่บนระดับของช่องเขาปากทางที่ตัดเข้าไประหว่างซอกโขดหินอันสลับซับซ้อนณที่นี้ทุกคนยังไม่เห็นอะไรและไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นนอกจากบอกได้ด้วยสายตาว่าหนทางเดินที่ผ่านไปนในช่องเขาแคบยาวเหยียดนี้เป็นหนทางที่งดงามตามธรรมชาติที่สุดพื้นที่เป็นทิน หินลูกลังสีแดงมีโขดหินเตี้ยเตี้ยงอกเกรียงรายอยู่ทั่วไปทิวทัศน์รอบด้านสองฝั่งสูงชันลิบเลี่ยงขึ้นไปประหนึ่งเที่ยงเจ้าแห่งศิลมาสร้างไว้ให้ระพินเราขึ้นมาถึงที่นี่แล้วคุณอยู่ไหนหัวหน้ า, นาคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียยกวิทยุขึ้นพูดหอบหอบขาดเป็นห่วงอยู่นี่ครับเสียงตอบเบาๆไม่ได้แว่วมาจากวิทยุ ข, ของเครื่องใดเครื่องทั้ทงสิน้นแต่เป็นเสียงพูดจากปากของเขาโดยตรงเมื่อหันขวาก็เห็นระพินไพรวันโพมาจากโขดหินลูกใหญ่หลัง รูปหลังเต่าเบื้องหลังของทุกคนพร้อมกับก้าวเข้ามาสมทบทั้งหมดที่เหนื่อยกันจนหน้าซีดเพราะตะกายแข่งกับเวลากันขึ้นมาจ้องก็เป็นตาเดียวแน่ละเป็นสายตาแหงนคาถามที่ยังไม่อาจเปลง่งออกมาเป็นวาจาได้ซึ่งเขาก็เข้าใจได้ดีเมื่อเดินเข้ามาถึงกลางกลุ่มก็บอกตำ ต, ำ, ตำว่าเอาละครับทุกคนขึ้นมาตรงนี้ก็ดีแล้วพักหายใจก่อนสอนาทีได้เราจะหาเรือกันอีกทีนั่งพักได้ตามสบายครับทั้งหคนอันประกอบด้วยดร์แซนดี้คีธเชิร์ดวุฒอิสซาเบลและคริสเขาออนกันไปหมด กันซุดกายรวบลงนั่งพักก้อนหินซึ่งมีอยู่รอบด้านทั่วไปและปกระติกน้าม อ, อกมากรวดคอรพินยืนอยู่ระหว่างการนั่งพักอย่างอ่อนแรงของคนเหล่านั้นเขายังไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเหมือนจะทอดระยะเวลาให้ฝ่ายนายจ้างบรรเทาความเหนื่อยหอบลงเสียก่อนทุกคนบัดนี้แหลเห็นสีหน้าของจอมมัคุเทศเกรียมเป็นมันและแข็งกระด้างพอๆกับก้อนภูเขารอบด้านมัวเก่าๆของเขาซึ่งตามปกติมักจะเห็นหลุดปีกลงมาบัดนี้ถูกเซยให้ไปกองอยู่บนกลุ่มผมอยากโซกลางศีรษะ โดยมีสายรัดคางกันปริวตกคาดไว้ใต้คางพรายฝนไว้ในแขนซ้ายส่วนแขนขวายกขึ้นป้เช็ดคราบเหงื่อคลายบนใบหน้าแล้วจ้องดวงตาคมกริบภายใต้กรอบลึกมองแนวนึ่งไปบนหน้าผาสลับซับซ้อนสูงขึ้นไปทั้งสองด้านบางก้อนก็จะเป็นหินก้อนรูปร่างลักษณะสันฐานต่างๆดูแข็งแกร่ ง, งด้วยตัวของมันเองและบางแถบก็เป็นหินเปราะร่วนซุยโดยเป็นแผ่นซึ่งอัดซ้อนกันอยู่หลายๆชั้นยื่นโพลเรื่อมล้ำเป็นชอชั้นลดลันกันขึ้นไปแทบจะหาที่สุดสิ้นไม่ได้ มาประกอบกับแสงตะวันยามชิงครบเช่นนี้งามจนสุดที่จะพ น, นาได้การกบุญทําอยู่ไหนคิดเอ่ยถามขึ้นบ้างภายหลังจากทุกคนนั่งพักดื่มน้ํากันอยู่กึดใจใหญ่แซนคําตอบประพินชี้มือไปทางแนวก้อนหินปากทางซีขวามือและเมื่อต่างแง้มมองตามก็เห็นลูกศิษย์ก้นกุฏิซ้ายขวาของจอมพลานขึ้นไปนั่งจองเงียบอยู่บนแง่หินตอนหนึ่งห่างขึ้นไปไม่มากนักกาลัางมองมาอยู่แล้วเกลื่นไปกับก้อนหินเหล่านั้นจนสังเกตไม่ได้หากไม่ได้รับการชี้บอกแซนลี่เป็นคนแรกที่ยืนขึ้นภายหลัง สะกดความเหน็ดเหนื่อยลงได้แล้วมองไปยังหนทางเดินซึ่งเป็นช่องกว้างที่สุดไม่เกิน10เมตรและบางตอนก็สอบแคบเข้าไปเหลือเพียง56เมตรระหว่างโขดพผาทะมึนนั้นทุกคนจึงค่อยๆท ย, ยอยกันยืนขึ้นและหันไปพินิจดูภูมิประเทศนั้นด้วยพร้อมกับใส่ตรองเพื่อหามูลเหตุในข้อที่ว่าระพินสั่งให้ขบวนเกรียงอพยพและลูกหาบทั้งหมดถอยกลับลงไปทันทีแทนที่จะให้เดินผ่านเส้นทางนี้ไปซึ่งก็น่าจะดูว่าเดินกันไปได้อย่างสะดวกสบายที่สุดเพราะเมื่อไต่ทางชันขึ้นมาถึงที่นี่แล้ว มันก็เป็นพื้นราบเสมอกันราวกับใครมาเจาะช่องเขาตัดเป็นเส้นทางเดินไว้ให้แกรนแคนยอนว่าสวยงามที่สุดแล้วแต่ที่นี่เฉพาะตรงนี้ผมว่ามันสวยอัศจรรย์กว่ามากนะแดนลี่พูดขึ้นขึ้นเหลือบตามองดูหน้าครับผู้ซึ่งยังแงนดูสูงขึ้นไปเบื้องหน้าอยู่เช่นนั้นนี่คือเส้นทางที่เราจะต้องเดินผ่านใช่ไหมล่ะพินครับก็ตอบสั้นๆผมรู้ว่าคุณต้องมีเหตุผลในข้อที่ว่าทําไมคุณถึงหยุดพวกเราไว้อย่างกระทันหัน มิหนำซ้ำยังให้ขบวนกระเรียนกับลูกหาของเราถอยลงไปโดยเร็วที่สุดปารใหญ่ชี้หลังคหลังนิ้วคยี้ปลายจมูกเบาๆอาการของเขาเต็มไปด้วยความอึดอัดยังไรบอกไม่ถูกแล้วก็เอ่ยขึ้นยิมย้มๆอย่างทําให้มีอารมณ์ขันวันในการถูกแนะนำครั้งแรกที่บ้านภระของคุณอําพลผมพอจะทราบและจําได้อยู่ว่าสภาพสตรีผมแดงเป็นแพทย์และเชี่ยวชาญทางโรคเมืองร้อนโดยเฉพาะส่วนสภาพสตรีผมทองเป็นนักเคมีฟิสิกและเทคนิคเชียนโดยตรงเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูแต่ทั้งสองรายนี้แหละ รู้สึกว่าจะชนานาญทางธรณีวิทยาด้วยผมจําไม่ได้เสียแล้วว่าเธอผู้นั้นคือใครระหว่างสาวผมแดงกับผมทองทําไมเสียงถามครึมขรึมดังมาจากคริสติน่าโดยไม่มองหน้าเขาอ๋อทางนั้นจะนึกออกแล้วคุณเองกำลังคลิสเชี่ยวชาญทางธรณีวิทยาด้วยฉันไม่เข้าใจว่าคุณเกิดมีอารมณ์ขันเรื่องอารมณ์สนุกอะไรขึ้นมาก็ไม่ทราบในภาวะที่พวกเราทั้งหมดยกเว้นแต่คุณคุณเดียก็กลังเผชิญกับปัญหาและมีคําถามอยู่ในขณะนี้หล่อนพูดเบาแต่ชัดถ้อยทุกคํา และไม่ยอมพูดไทยกับเขาอีกเลยดูราวกับจะถอดถอนความเป็นเจเนงออกจากเขาโดยสิ้นเชิงแล้วมีแต่ความเป็นการเป็นงานสงบขรึมและเลึกลงไปกว่านั้นซ่อนความหมองหมางเอาไว้กลางแก่นใจพระพินยักไหลนิดนึงเขาสำเนียงได้และบอกตอนเองว่าไม่สนใจพร้อมกันก็พูดต่อมาในสำเนียงและอาการเดิมว่าถ้างั้นคุณลองพ่ช่วยพิจารณาดูลักษณะหินของภูเขาทั้งสองด้านมันเป็นพาบีบขนาบเส้นทางเดินที่เรากําลังจะผ่านไปนี่สิว่ามันเป็นหินลักษณะไหนยุคของมันและ หรืออะไรอื่นๆเท่าที่คุณจะให้รายละเอียดได้จะเอาหลักวิชาหรือภาษาในทางเทคนิคมาพูดเอาว่าอธิบายง่ายๆก็แล้วกันคราวนี้คริสชันมาจ้องหน้าเขาด้วยสายตาตรงมีหินแท้และหินเทียมหรือหินปูนปะปนกันอยู่เต็มไปหมดสองฝั่งหน้าผาที่บีบขนาดอยู่นี้หินแท้ก็คือลักษณะก้อนที่เห็นตั้งเรียงรายอยู่ส่วนหินเทียมก็มีลักษณะเหมือนแผ่นซ้อนกันอยู่หลายๆชั้นโปรแซเหมือนใครเอากระเบื้องไปสอดเรียงไว้หินชนิดหลังเป็นหินที่เปราะร่วนแตกหักง่าย จากคาร์บอนและแร่ธาตุบางชนิดตลอดจนซากโบราณอัดตัวกันเข้ามาโดยใช้การเวลาเป็นเครื่องประสานเชื่อมแต่ยังไม่นานทองที่จะแนบเสนยดเป็นเนื้อเดียวกันได้นี่เป็นคําอธิบายที่คิดว่าพอจะฟังได้ง่ายที่สุดสําหรับคนธรรมดาทั่วไปคราวนี้ให้ฉันถามคุณบ้างนึกอะไรขึ้นหรไม่ทราบถึงว่าถามอะไรงู้งไร้สาระเอาในเวลาเช่นนี้รับพินหัวเรอกกร่อยๆริสเล่นเขาด้วยวาจาแรงพอควรทีเดียวแรงจนเขาเคขื่อน ในขณะที่ทุกคนก็มองจับมาที่เขาเหม่งจึงเซหันไปทางเบวบอกยิ้มยิ้มว่าเบวเสียงคุณดังกังวานและไพเราะดีผมว่าคุณควรจะลองเป็นนักร้องมากกว่าจะเป็นแพทย์และเดินทางเสียงตายมาในครั้งนี้ไหนคุณลองตะโกนอะไรก็ได้ตะโกนกอดเขาเ้าไปในช่องผานี่แหละผมอยากได้ยินเสียงสะท้อนมันคงกล้องดีพี่ลึกเบลเป็นคนว่าง่ายดีตามปกตินิสยัยทำหน้าเหลอหลามองคนนุ้ทีคนนี้ทีแซนดี้ซึ่งรอบขอบและลึกซึ้งที่สุด จับสำรวจอาการของรพินยอยู่ทุกขณะและรอบพยักหน้าเหมือนจะให้ทาตามที่เขาบอกทำแรกหล่อนแหกปากตะโกนเหมือนจะทักทายผู้ผานั้นออกไปดังลั่นวาเฮเสียงของเบลสะท้อนกล้องกลางวันกระทบแผ่นเหลือบพินแล้วดังกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งแล้วก็ค่อยๆจางหายห่างไกลออกไปอีกทีสิรพินบอกคราวนี้เบเบล้องปากร้องเพล ง, งเต็มแก้วเสียงของหลอน The You Are Alive With The Sound Of Music วิสส h งเดย์แ e ฟซังฟอร์ดอาเทลเ a เนียกระแสเสียงเพลงนั้นไพเราะจริงๆและมันได้ดังกล้องสะเทือนไปทั้งหน้าผาได้ระบบของเสียง Echo ธรรมชาติราวกับว่าเดี๋ยวจะร้องเข้าสู่เครื่องขยายเสียงที่กำลังส่งสัก500อวัตต์ก็ไม่ปานเพียงแค่กังวานกลับไปกลับมาในประโยคสุดท้ายเหมือนใครมาร้องร้อเรียนอยู่นั่นเองหุนเขาผาทนทั้งสองด้านมีอาการไหวคลึกมันดังไม่มากนะแต่ทุกคนก็รู้สึกพร้อมกันหมด เพราะพื้นที่กำลังยืนอยู่ขณะนี้มีอาการคล้ายสั่นสะเทือนเล็กน้อยหินจากเบื้องบนตลอดแนวผาสูงอันเป็นหินเปราะหากร่วงเป็นฝุ่นกล่าวลงมาปราบรายแลดูขาวมัวเป็นจุดๆทั่วไปและสะเก็ดบางส่วนซึ่งไม่โตนะักกระเด็นกระดอนลงมาเป็นลาดับจนกระทั่งตกมาถึงพื้นเห็นกันทั่วทุกคนซึ่งพอกันยืนจังงังตัวแข็งอยู่ในขณะนี้เบลคนร้องเพลงเข้าไปในช่องเขานั่นเองก็อ้าปากคะ่ะใช่ครับเบลขุนเขาได้มีชีวิตชีวาขึ้นแล้วด้วยกังวาลเสียงเพลงของคุณ และถ้าคุณยังเขินร้องเพลงให้มันฟังเพื่อให้มันร้องตอบมาอีกต่อไปแล้วก็พวกเราทั้งหมดที่จะเดินผ่านเข้าไปก็คงถูกขยี้และฝังทั้งเป็นอยู่ในช่องทางนี้มันนับเป็นพันๆปีเหมือนกันตามเพลงที่คุณร้องนั่นแหละประพินไพรวันพูดคราวนี้แหบลึกปราศจากรอยยิ้มแห่งอารมณ์ขันแล้วดวงตาทั้งคู่หลีลงเอาละครับผมจะเรียนให้ทุกคนทราบช่องทางหรือซอกข้างหน้านี่คือแนวทางที่ขบวนของเราทั้งหมดจะต้องอาศัยเดินผ่านเข้าไป ไม่มีเส้นทางอื่นที่เลือกอีกแล้วนอกจากทางนี้ทางเดียวระยะทางที่มันจะผ่านเปนในระหว่างหน้าผาอันเต็มไปด้วยหินอันตรายเหล่านั้นไม่ยาวไกลนะเราราวแค่200หลาเท่านั้นตามปกติแหละถ้าเราไม่มีศัตรูมือที่คอยจ้องจะเล่นงานเราอยู่ทุกขณะจิตมันก็ธรรมดาที่สุดไม่มีอะไรเลยพวกเราจะเดินผ่านเส้นทางไปได้อย่างสบายต่อให้มีพายุลมกันโชคตลอดจะมีคลื่นเสียงอะไรเข้ามากระทบบ้างเช่นเสียงปืนหรือเสียงฟ้าร้องหินเปราะออนมากมายเหล่านั้นก็อาจล่วงหล่นหักรลุออกมาเพียงเล็กน้อยซึ่งจะหลีกกลบกันได้ทัน จอมพลนันหยดกระเดือกน้ำลายฝึดๆลงลำคอทุกคนมองเ ข, ของ้อความเงียบเงียบเกลียดกันไปหมดแต่สำหรับวันนี้เดียวนี้จุดอันตรายขีดสุดของเรามาถึงแล้วครับถ้าขืนเื่อนขบวนเดินผ่านเข้าไปเมื่อไหร่เราก็หินเปราะและหินแท้ที่เห็นฝังอยู่พราวสองฝั่งหน้าผาที่บีบเส้นทางไว้นี่จะถล่มพลูลงมาบดพวกเราทั้งหมดที่หลวมตัวเผลอเดินเข้าไปแหลกละเอียดและถูกฝังเสร็จเรียบร้อยทั้งขบวนไม่ว่าจะมีสักกี่คนงานนี้มันกำลังรอเราอยู่แล้ว รอที่จะให้ขบวนของเราทั้งหมดเคลื่อนเข้าไปในซอกของเส้นทางนี้พระเจ้าอเมริกันทั้งสี่อุทานออกมากับเป็นเสียงเดียวหันขอบไปจ้อ ง, องเส้นทางเดิมและหลือพินสองฝั่งนั้นอีกอย่างรวดเร็วทําไมทําไมมันถึงได้ล่วงถล่มลงมาได้ในขณะที่ขบวนของเราผ่านเข้าออไปแซลลี่ถามอาการที่จะเป็นสํำลักเบิกตากว้างทงเห็นก้อนเห็นรูปใหญ่โตโดดเดียวที่ตั้งงานเด่นนั่นไหมครับโคนตอนล่างของมันเหลือบางคอดกิ้วนิดเดียวเนื่องจากถูกลมพัดเว้หลายหมื่นปีมาแล้ว ส่วนตัวก้อนใหญ่ข้างบนของมันอันมีลักษณะกับจะกล ม, มนั่นคุณคํานวณ น, น้ําหนักได้ไหมว่ามันควรจะหนักสักเท่าไหร่ประพิมพ์ชี่ให้ในจ้างของเขาซึ่งหันไปจ้องเป็นตาเดียวอันเป็นก้อนหินขนาดเครืองมุขมากกว่าทุกก้อนบนริมหน้าผาแห่งนั้นที่ีกซ้ายมือเมื่อทุกคนหันหน้าเข้าช่องทางเดินระยะสูงขึ้นไปประมาณ100ยถึงสองหลาโดยวัดจากพื้นเบื้องล่างขึ้นไปแต่ถ้าวัดจากปากทางที่ผ่านเขาก็มีระยะประมาณ50าสิหลาจนถึงบริเวณอันตรงที่มันตั้งต่ ง, งานอยู่อย่างหน้าหวาดเสียว เพราะคนกิวเต็มทีทำท่าเหมือนจะขาดนี่ขาดและเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทําไว้ผมว่าไม่น้อยกว่าร้อยห้าสิบตันทีเดียวก้ น, นั้นเชิดวุฒอุทานออกมาทันทีจ้องเขม่งและคว้ากล้องส่องทางไกลขึ้นส่องทันทีอาการของเขาเช่นนั่นเองทําให้ฝ่ายในจ้างทุกคนเป็นจา uen, ์ากคริสยืนจ้องนิ่งสั่งคว้ากล้องประจําตัวออกมาสำรวจสั่งอุทานแซกกันในลําคอจริงด้วยบ๊อบมันเป็นก้อนหินใหญ่มากไม่ต่อยกว่าร้อยห้าสิบตันอย่างวุดว่า และตรงโคนถูกพายุพัดกิวเหลือนิดเดียวมันทานน้ำหนักกันไม่ไหวแล้วจะคาดร่วงลงมาเมื่อไหร่ก็ได้และถ้ามันคาดร่วงตู้มลงมาน้ำหนักกับแรงสะเทือนของมันจะทําให้โขดหินใหญ่น้อยรวมทั้งหินเปราะถาล่มตามกันลงมาทั้งแถบทีเดียวเป็นช่องทางแคบๆในซอกเขานี้ก็จะถูกขยี้กรอบฝังหมดยีท พ, พูดหนักๆในลําคอสเตนลี่ช้ก็ลองพิจารณาอย่างพินิษคร่ำครวนขีดสุดใช่ถ้าไอ้หินก้อนนั้นมันเกิดคาดหล่นลงมาเมื่อไหร่ มันก็ถล่มก้อนหินบริเวณภายใต้ของมันให้ล่วงตามกันลงมาทั้งแถบแน่นอนไม่เถียงเลยในข้อ น, นี้แต่เราพินน่าจะมีเหตุผลมากกว่านั้นที่เขายังไม่ได้บอกเราลองคิดดูหินใหญ่ที่ถูกลมพัดจนกิ่วขอนดูว่าน่าจะขาดตอนลงมาก้อนก้อนนะั้นได้ตั้งอยู่ตรงตำแหน่งตามธรรมชาติของมันกี่แสนกี่ล้านปีมาแล้วและเพียงแค่ไม่กี่นาทีที่กระบวนของพวกเราจะผ่านไปมันจะเกิดอุบัติเหตุหักลงมาหรือและทั้งหากว่ามันยังอยู่ ขงมันตามธรรมชาติเช่นั้นใครจะบอกได้ว่าจะใช้เวลานานอีกสักเท่าไหร่รอยกิวีวนั้นจึงจะทาน้ําหนักไม่ไหวแล้วหักสะบัน้นทําให้มันร่วงลงมาเองนับจากเวลานี้ไปอันเป็นเวลาตั้งร้อปีหรือตั้งพันปีก็ได้ครับสุภาพบุรุษชายตอบเสียงต่ํำลึกถ้าปล่อยมันไว้ตามธรรมชาติก็ยังคำวนวณเวลาไม่ได้ว่าอีกสักกี่ร้อยหรือกี่พันปีมันจึงจะขาดล้นลงมาแต่ข้างหักไม่ใช่ธรรมชาติล่ะโดยมีอะไรสักอย่างมาช่วยเร่งเวลามันชนิดจะพันธันด่วนมันจะขาดตกลงมาได้ไหม ระว่างที่ทุกคนตื่นเต้นงงงันกันอยู่จอมพลานชี้ให้ดูต่อไปคราวนี้ลงมองสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับผมหมายถึงสูงกว่าระดับที่หินก้อนนั้นยืนอยู่เราจะเห็นว่ามีก้อนหินย่อมๆอยู่อีกก้อนหนึ่งฝังเอ็นมีนเมย์อยู่กับริมหน้าผาเหนือกว่าหินก้อนกิ่วก้อนนะั้นขึ้นไปประมาณยี่สบลาวน้ําหนักของหินก้อนบนผมกะว่ า, าราวสิบกัตตันเท่านั้นไม่มากนะแต่ถ้ามันถูกผักหรือเขี่ยหรือดันอย่างใดอย่างหนึ่งให้หลุดจากที่ของมันมันก็จะหล่นลงมาแล้วหล่นลงมากกรบัััอยิอหหนนนน้ แรงกระแทกจากหินก้อนบนนะั้จะเป็นก้อนเล็กหรือมากก็ตามท่านหล่นลงมากระแทกกับตำแหน่งข้อกิ่วนั้นเป็นไปได้ไหมครับว่ามันจะต้องขาดหลุดออกมาจากลอด ล, อ, ลอยข้อกิ่วนั้นทันที My goodness เสียงเบลลรุดออกมาอย่างแผ่วเบาที่สุดส่วนคริสหลับตาลงทั่วขณะมันจะนึกวาดภาพคริสเป่าลมแก้มป่องแดนนี่ลูกค้างสงบนิ่งส่วนเชิดวุฒิเอามือตะครุบหลวงพ่อทวดโดยไม่รู้ตัวประพินคุณยังไม่ได้บอกเหตุผลแก่ผมเลยว่าทําไมคุณถึงวาดภาพไว้หน้ากลัวเช่นนั้น ในที่สุดอเมริกราโรบัสก็เอ่ยขึ้นเบาๆเคร่งเครียดถ้าผมสามารถวาดภาพหรือมองอะไรเห็นล่วงหน้าก่อนผมก็คงจะไม่พาคณะของเราเดินผ่านมาทางนี้หรอกครับคงจะหาทางอึดหลีกไปแล้วแม้จะอ้อมสักแค่ไหนก็ตามนี่เป็นเพราะคิดไม่ถึงมาก่อนมาเห็นเขาก็จวนตัวเสีแล้วแต่ก็ยังดีที่ไหวทันหยุดพวกเราไว้ได้ทันโดยเฉพาะพว ก, กเกรียงอพยพและพวกลูกค่ะถ้าขึ้นไปให้เดินเข้าซองและไปถึงตำแหน่งตรงที่หินกิ่วข้างบนนั่นเมื่ อ, อไรซึ่งก็แปลว่าขบวนของเราล้มแนวเข้าไปหมดแล้วจะไม่มีทางแก้ไขทันอีกเลย ต้องให้ตัวผมเองก็ไม่มีเหลือเราถูกฝังพร้อมๆกันหมดถ้าเดินเข้าไปถึงจุดนั้นเมื่อหลายตามปกติแล้วเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ผมและพวกห้วยเสือร้องอาศัยเดินผ่านอยู่เป็นประจำแหละครับแล้วลเราก็เห็นหินกิ่วอันนี้ดูประหลาดนานนั่นแหละโดยไม่ได้คิดอะไรเลยเนอกจากเวลาเดินผ่านก็ชมความงามตามธรรมชาติของมันและร้องตะโกนฟังเสียงของตัวเองให้สะท้อนกล้องเล่นเมันอย่างที่ทดลองให้เบลร้องเพลงเมื่อตะกี้นี้แต่มาวันนี้ผมมีเหตุผลเชื่อมันถึง 90% เซเลยว่ามันเอาเราแน่ตรงตำแหน่งนั้นและจุดนั้นสังรอ แอนนี่ถามก็สันติสัยิ้มกรานกรานไม่ใช่สังหรณ์หรอกครับแต่เห็นคุณเห็นอะไรราวนี้ทุกคนแม้แต่คริสเรากับนัดกันไว้เพราะพ้อมเป็นเสียงเดียวกันหมดผมเดินนําหน้าขาบวนทิ้งระยะห่างประมาณ30ล้าเพื่อยบเข้าไปปากทางปกติวิสัยของผมทุกครั้งผมจะต้องมองไปยังหินกิ่วก้อนนั้นเหมือนกับว่ามันจะเป็นเพื่อนซึ่งต้องทักทายกันทุกครั้งเมื่อผ่านมาแลบวบที่ผลเลือมองเขาเ้าไปในเองผมเห็นอะไรชนิดหนึ่งยืนอยู่ตรงตาแหน่งหิน ค อ, อดเป็นฐานนั่นแหละครับมันยื่นยิ่งเหมือนเสาหินซึ่งครั้งแรกผมคิดว่าเป็นหินเหมือนกันจึงมาเอ๊ะใจจาจได้ว่าใต้ฐานตรงรอคอดรอยคออนั้นเคยเกลี้ยงเราไม่มีอะไรโผล่แทรแกขึ้นมาเลยผมก็ยหยุดชะ ง, งักจ้องดูพอผมจ้องสังอึดใจเท่านั้นมันก็หลบแว บ, บหายไปหมู่หินเหมือนจะรู้สึกตัวว่าผมเห็นมันเหมือนกันมันพลักมันนั่นแหละไอ้ซากนักรบโบราณตัวเครืองที่สุดซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของพวกเราทุกคนในขณะนี้ตัวที่วิ ญ, ญญาณชั่วร้ายของมันตายสิงอยู่ เงียบกริบไม่มีใครกระดิกในขณะนั้นมีแต่เสียงลมพัดโกลบมีดหวือเหมือนเสียงคลางของปีศาจระพินกล่าวต่อไปว่าผมเพียงแต่จ้องเพื่อให้แน่ใจเท่านั้นยังไม่ทันจะขยับปีนเลยยังไม่ทันจะขยับปืนเลยมันก็หลบข้างบนนั้นมีเส้นทางเดินครับและช้างสามารถจะไต่ขึ้นไปได้ขณะนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าไอ้นาดาจะแอบอยู่ข้างบนหลังก้อนหินซึ่งอยู่เหนือหินกิ่วลูกโตนั่นหรือเปล่าประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นอย่าว่าแต่ช้าง ที่ผีลงบังคับเลยขณะช้างป่าธรรมดาก็เคยเล่นงานเราด้วยวิธีที่ขึ้นไปบนภูเขาเหินแล้วงาดหินให้กลิ้งลงมาใส่คณะของเราแล้วผมไม่กล้าที่จะเอาพวกคุณเข้าไปเสี่ยงแบบประวัติศาสตร์ซ้ำร้อยเป็นอันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนทางนี้เป็นหนทางอับเสียด้วยถ้ามันกลิ้งหินลงมาก็ไม่มีทางขยับขยี้อนได้เลยเพราะทุกคนเดินขบวนเข้าซองหมดเพราะฉะนั้นผมจึงให้เวลาส่วนใหญ่ทุกคนโดยเฉพาะพวกแบกหามสำเพราและพวกอุปยพให้ถอยกลับลงไปให้พ้นเขตอันตรายเสียก่อน ตะวันรอนอ่อนแสงลงเป็นลําดับอากาศรอบด้านเริ่มจะขมุขขมัวคงเห็นแดงชานจ้าจะเฉะพาะแนวผาหินทั้งสองฝั่งและส่วนยอดที่สูงริบริ่วขึ้นไปด้านบนเท่านั้นปัตนี้ทุกคนเหนือแห้งสนิทแล้วตรงข้ามจากความระอุอบอ้าวที่เดินกลางกันมาอย่างหนักเริ่มจะเปลี่ยนมาเป็นความเย็นด้วยลมยามใกล้สนธยาบนยอดเขาสูงและแน่ละ่ะอีกชั่วไม่นานมันก็คงจะกลายมาเป็นความหนาวเยือกชนิดจับเข้ากระดูกทีเดียวภายหลังเมื่อตะวันรับดวงไปแล้ว เสบีย์หัวล้อเสียงแปลงเอ่ยขึ้นเสียงแตกคร่าว่าแล้วนี่เนื้หรือที่คุณเคยเสนอให้พวกเราแยกกันออกออกไปเป็นสองพวกโดยฝ่ายพวกเราทั้งหมดคุณให้มุดลอดใต้ผ า, าน้ําตกอันเป็นทางลัดไปปล่อยให้กรเรียงอพยโพวกนี้เดินผ่านเส้นทางนี้ภายใต้การนําของพรานสีคนของคุณมีจุดนัดพบกันที่ห้วยเสือร้องนี่ถ้าเราตกลงตามที่คุณบอกว่ากรเรียงอพยโพวกนั้นก็ต้องเดินผ่านเส้นทางนี้แน้จะมีบุญธรมจัน์เกิดและเสยเป็นผู้นํามาก็ตามเถอะ อะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้าพลานทั้งสี่คนนํำขบวนพลานเข้าไปในซอกแคบๆในระหว่างหน้าผานี้ปผานี้ลูกน้องคุณทั้งสี่คนกับเกรียงอพยพทั้งหมดไม่ถูกฝังทั้งเป็นอยู่ในซอกซอกนี้กันหมดแล้วหรือถ้าบังเอิญว่าคุณไม่ได้มากับพวกเขาด้วยและเกิดไว้ทันขึ้นแต่ก่อนอย่างเดี๋ยวนี้จอมพลานอึ้งไปชั่วขณนะกระดกปลายลิ้นออกมาเกลียเรียมผีปากที่แห้งผพกยังตอบอะไรไม่ถูกในขณะนั้น คริสได้ยินคําพูดของเบลก็สงสัยเพราะขณะที่ร่วมประชุมหารือกันอยู่นั้นหลอนไม่ได้อยู่ด้วยจึงหันไปกระซิบถามอะไรซุบซิบกับเพื่อนสาเบลอธิบายให้ทราบว่ารพินเคยวางแผนการเดินทางไว้ให้เลือกอย่างไรบ้างเหมือนก็เป่าลมออกมาจากปากเบาๆจ้องตาเขาไม่กระพริบโชคดีมากที่พวกเราทุกคนไม่มีใครยอมเลือกวิธีที่เขาเสนอมานั้นเพราะมิฉะนั้นก็แปลว่าเฉพาะพวกเรากับลูกหาและพรานนาทางอันเป็นหัวหน้าจะไปรอคอยค้างเติงกันอยู่ที่ห้วยเสียร้องนั่นเองส่วนพรานลูกน้องขอ ง, ของเขาสี่คนรวมทั้งกะเหรี่ยงอพยพทั้ง ได้ตรงตำแหน่งนัดหมายอีกแล้วและคงอีกนานกว่าจะค้นพบสาเหตุว่าพวกนี้พากันหายไปไหนหมดริสตินาพูดเรียบราบที่สุดละพินเคยยี่จมูกอีกครั้งพยายามสะกดกั้นความหงุดหงิดผมเรียนแล้วว่าผมไม่มีโอกาสที่จะคาดคะเนหรือรู้อะไรได้ล่วงหน้าแต่เมื่อเกิดปัญหาอะไรก็ไม่ได้ตัดสินใจทําไปคนเดียวจะเชิญพวกคุณทุกคนเข้าร่วมปรึกษาทุกครั้งเพื่อขอความชี้ขาจากเสียงส่วนมากโดยแจกแจงให้เห็นว่าผลดีมีอย่างไรและผลเสียมีอย่างไรขณะที่เราร่วมปรึกษากันผมก็ได้เชิญคุณมาร่วมแล้วตอนนั้น คุณก็เมินเฉยเสียนี่คุณเพียงคนเดียวที่ขาดประชุมโดยบอกให้คนอื่นๆทําหน้าที่แทนและผลของการประชุมหาหรือก็ออกมาในแนวทางที่ถูกต้องแต่ทุกคนไม่มีใครยอมให้ผมแยกคนณะออกไปเป็นสองพวกซึ่งผมก็ยอมปฏิบัติตามคุณไพร์วันคริสเน้นเสียงโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าฉันไม่ได้ตําหนิอะไรคุณฉันเพียงแต่ราพึงด้วยความหวาดเสียวต่อเหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ขณะนี้เท่านั้นมันหมายถึงว่าถ้าคุณนําพวกเราแยกละทางตัดท่ำไปเสีย ลูกน้องคุณเองสีคนกับกระเลียงโอพุยพวกนี้ตายหมดในช่องเขานี่เองคุณไม่จําเป็นจะต้องหุดหงิดและมาหัวเสียอะไรกับฉันลูกคุณคิดว่าถ้าคุณไม่มาด้วยลูกน้องของคุณก็ให้มือดีสักขนาดไหนอย่างเช่นบุญคําผู้อาวุโสที่สุดก็จะแก้ไขสถานการณ์และรู้ตัวได้ลิสไม่พูดเปล่าชูมือขึ้นสูงเหนือศีรษะแล้วดีดแรงๆบุญคํากับจนันผู้เพนขึ้นไปนั่งเป็นลิงจับหลักอยู่บนแป้นหินฝั่งขวามือห่างขึ้นไปไม่มากนั่หันมามองมันควักมือเรียกพอุโสของพริสงเาาทะอาวุโส เดียวจ้อยลงถนัดคริสยิ้มให้ทั้งสองและถามทันทีว่าบุญคำใครเป็นคนเดินนําหน้าขบวนเมื่อกี้นี้ก่อนจะถึงช่องเขาที่เราหยุดกันอยู่นี่บุญคำกับจันตาพานเท่าบ่าออ้อยๆและพลานใหญ่ละเขาเดินอยู่ตรงไหนห่างหลังไปรารวสิบกว่าเก้าพราวนี้จันเป็นคนตอบไรเป็นคนสั่งให้หยุดเดินและหยุดขบวนทั้งหมดบุญคำจันหรือพานใหญ่คริสซักต่อไปโดยเร็วก็าพานใหญ่เป็นคนสั่งบุญคำกับจันหยุดเดินแล้วก็เป็นคนสั่งให้โบเนี่ยก่อนพวกกระเหลี่ยงถอยกลับลงไปหล่อนพยักหน้า รู้เหตุผลของเขาไม่ทำไมเขาจึงสั่งหยุดและสั่งให้พวกเราส่วนใหญ่ถอยกลับลงไปสองพรานมองหน้ากันเองเลยยิ้มแห้งๆพลางจำเลืองแวบไปทางพรานใหญ่ผู้กม้มลงจุดบุหรี่บุญคำกระจันไม่รู้ทั้งสองตอบซื่อเห็นพรานใหญ่สั่งให้หยุดก็หยุดแต่มารููทีหลังเมื่อโบเมียตอนพวกนั้นกลับลงไปแล้วแกชี้ให้ดูหินใหญ่ค้อกิ่วก้อนนั้นบุญคําชี้ขึ้นไปยังก้อนหินใหญ่ริมๆมันเป็นป้งางไม้ที่ทุกคนคเขม่นมองด้วยปัญหาหนักในขณะนี้กล่าวต่อมาว่าแกว่ามันทําท่าไม่ดีจะขาตกกลิ้งลงมาและถ้าหหินนนนนก้อนน้อัล่ หินทั้งหลายที่เงอตะกลมตะปัะป่มอยู่ตามแนวหน้าผาก็จะหล่นลงมาราวกับใครมากระแทกเทกรจาดบุญคําเห็นแล้วเสียวไส้เหมือนกันเขาบอกหรือเปล่าว่าทำไมหินก้อนนั้นมันถึงจะขาดหล่นลงมาแกยังไม่ได้บอกอะไรบุญคําและถ้าพลานใหญ่ไม่ได้เดินตามหลังมาด้วยไม่ได้เป็นคนเตือนให้บุญคํากับจันให้หยุดบุญคํากับจันจะเดินเข้าไปในช่องเขานี้ไหมก็ต้องเดินเข้าไปเพราะมันเป็นทางที่เราจะต้องผ่านอยู่แล้วคริสหัวเราะหึ่ยหึห่ยในลำคอมองไปยังพักพวกของหล่อนทุกคน Q ิวได้หรื อ, อยังว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากชายคนนี้ไม่ได้มาในเส้นทางสายนี้ด้วยโดยปล่อยเฉพาะบุญคำและจันเพียงสองคนให้ทําหน้าที่นํำขบวนแทนครับและดัว เ, เองเธอแม้กระทั่งคนของเขาเองแทๆ้ๆเขาก็ยังไม่ได้อธิบายให้รู้โดยละเอียดเลยว่ามันอาจเกิดอะไรขึ้นได้เนื่องมาจากอะไรลําพังบุญคำกับจนันรุดต่อให้เกิดและเสยครบ4ี่คนปานนี้เอาพวกกระเลียงทั้งหมดไปถูกฝังหมดแล้วกราถาหัวหน้าใหญ่ของพวกเขากแค่คนเดียวเอาอยัางไงกันต่อไปดีลพินสเตนลี่ถามขึ้นโดยเลยียมองเบี่ยงช่อ ง, องเขาและผู้ผาทั้งสองฝั่งอีกครั้ง ความจริงระยะทางในช่องเขานี้มันก็ไม่ยาวไกลนักไม่ใช่หรือเห็นคุณบอกว่าเพียงแค่200้อยหลาเท่านั้นที่เป็นเส้นทางถูกบีบขนาดเข้าสู่จุดอันตรายนี้ทุกคนเห็นริ้วรอยย่นบนหน้าผากของเขาพร้อมกับอาการยิ้มที่ไม่ปลอดโปร่งนะครับก็แค่200รอยหลาเท่านั้นแต่ก็มันเป็นระยะทางที่จะฝังพวกเราทั้งหมดไว้อย่างสนิทเรียบร้อยชนิดที่ถ้ามีใครเดินผ่านมาก็จะไม่มีร่องรอยชวนให้สงสัยเลยถ้าขืนเดินเสี่ยงเข้าซองนี้ไปทั้งขบวนให้ครั้งจให้พวกเราแต่ละคนทําตัวเป็นนักวิ่งเร็ว โดยการให้วิ่งผ่านช่องนี้ไปทีละคนชนิดเร็วจีถึงฝากนโนนแล้วไม่ให้คนถัดไปกระทําโดยวิธีเดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะมีสัมภาระเข้าข อ, ของที่จะต้องแบกหามและก็ะเลียงอพยพ อ, อีกฝูงเบื่เลินประกอบด้วยลูกเล็กเด็กแดงและคนเจ็บด้วยทางเลี้ยงทางอื่นก็ไม่มีจะหยุดอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้อันตรายสารพัด ท, ทวันตกดินไปแล้วจะเดินย้อนกลับก็เท่ากับว่าที่เดินกันมาแล้วทั้งวันของวันนี้เป็นการเดินศูนย์เปล่าเสียเวลาเอาไปอีกจุดหมายปลายทางสําหรับที่จะพักภายในคืนนี้ก ถ้าผ่านช่องทางนี้ไปได้เรียบร้อยแล้วเดินไต่าทางขึ้นไปอีกสองชั่วโมงก็จะถึงยอดเขาที่เรียกว่าสักดําตามที่ผมบอกแล้วซึ่งนั่นคือที่พักของเราถ้างั้นก็แปลว่าเราจะต้องผ่านช่องเขานี้ไปให้ได้ไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งโดยให้พวกเราทุกคนปลอดภัยที่สุดคิดเอ่ยขึ้นบ้างพวกควรจะต้องเป็นอย่างนั้นครับแล้วเราต้องหาวิธีให้ได้ก่อนจะมืดด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเสียยิ่งเสียเปรียบก้นนั่นเสียจะเอายังไงกันเชืวว่อุดโลกออกมายัางกระวนกระวายใจ แลพินเดินพระเอาจากที่นั่นแยกทางออกไปเล็กน้อยพยักหน้าเรียกบุญธรรมและจันเข้ามาซุบซิบหาลือแบบเอาหัวชนกันอยู่อีกใจหนึ่งก็เดินกลับเข้ามาผมปรึกษากันสองคนนั้นเรียบร้อยแล้วครับเราจะเอาอย่างนี้พวกคุณทั้งหมด4ี่คนรวมทั้งคุนชดวูดด้วยขึ้นแอบซุ่มตัวนิ่งๆอยู่บนช่งม่านหินริมปากทางนี่ก่อนตรงนั้นมันสูงและมั่นคงปลอดภัยพอถ้าหากว่าหินบนหน้าผามันเกิดถล่มร่วงลงมายัางช่องทางเดินและกลิ้งสวนทางออกมาทางด้านนี้ระดับของกล้องหินที่จะกลิ้งสวนลงมารวมทั้ง พวกที่ถล่มล่วงลงมาจากหน้าผาก็จะไม่ถูกพวกคุณเลยเพราะขึ้นไปพับตุ้มอยู่ตรงช่องอนสูงนั่นให้ทุกคนระวังตัวเกาะยึดแง่หินให้แน่นแน่นอย่าพลาดล่นลงมาก็แล้วกันระวังที่หน้าผาถล่มเพราะมันจะต้องมีแรงสะเทือนมากพอๆกับแผ่นดินไหวทีเดียวส่วนพวกลูกหาและกรลียงอพยพที่ผมไล่ถอยลงไปอยู่ข้างล่างนู่นก็เชื่อว่าต้องปลอดภัยและหลีบหลบทันและหลีบหลบทันที่ไม่อยู่ห่างไกลลงไปมากอาจมีก้อนหินใหญ่ๆกลิิงตามแนวสูงชันที่ลงไปทางพวกนั้นบ้างแต่พวกเขาต้องหลบทันแน่เนื่องจากเป็นหนทางกว้างแแลละะมีีท่หบบกบาําังย ทั้งหมดแง้นมองขึ้นไปยังชังน้อนหินสูงกว่าระดับพื้นที่ยันกันอยู่ในขณะนี้ประมาณสิบลาลักษณะเป็นก้อนหินแกร่งแข็งแรงเป็นส่วนประกอบของเลือกหน้าผานั้นแต่อยู่ริมปากทางที่ผ่านเขาและมองไม่เห็นว่าจะมีหินอันตรายใดๆร่วงลงมาทับได้แม้จะเกิดหน้าผาถล่มขึ้นมันเป็นก้อนหินก้อนเดียวกับที่บุญคําและจันขึ้นไปนั่งจองมือตะกี้นี้นั่นเองหัวหน้าคณะเปลี่ยนสายตา ม, มาจับอยู่ที่เขาเอาละ่ะแล้วต่อไปอยังไงบุญคํากับจันสองคนนับอาสา ทำเป็นเดินล่อเข้าไปทางช่องทางแคบๆเส้นนี้ความทั้งส่งเสียงคุยกันเอะอะเพื่อให้มันผลักก้อนหินมันเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้หน้าผาด้านนี้ถล่มลงอ๋อแล้วสองคนนี้ก็แกลกและไปตามระเบียบนั้นสิถ้าหินมันพลูถล่มลงมาแผนตามแผนการของคุณลูก ค, คุณคิดว่าต้องสองคนสามารถจะวิ่งหนีก้อนหินที่พลูลงมาเป็นหาฝนเหล่านั้นได้ทนันคริสขัดขึ้นทันทีฟังผมให้จบก่อนสิครับคุณคําและจันที่จะรับอาสาเดินล่อเข้าไป เป็นบุตคลที่คุ้นเคยกับสถานที่อย่างดีที่สุดแต่จะต้องอาศัยความวายตลอดจนความคล่องตัวช่วยชีวิตตัวเองไว้ให้ได้แต่ถ้าช้าหรือโมงุ่ม ง, ง่ามอยู่ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันตลอดเส้นทางเดินในช่องหน้าผานี้จะมีซอกทถ้ำและรูโพรงอยู่เป็นระยะระยะแต่ละซอกจะไม่ใหญ่โตนักแต่ขนาดพอที่จะมุดหลบเข้าไปได้ถ้าเห็นว่าก้อนหินบนหน้าผากําลังจะร่วงถล่มลงมาเมื่อวินาทีวิกฤตมาถึงทั้งบุญคำและจันจะต้องใช้ความวายของตัวเอง หลบมุดเข้าไปในโพรงถ้าซึ่งเป็นรูอยู่ทั่วไปตามเชิงผานี้แต่แม้ว่าหนทางนี้จะถูกหินถล่มล่วงลงมากลบเส้นทางเดินทั้งหมดทั้งสองคนก็จะไม่ถูกหินทับเลยแต่ถูกฝังทั้งเป็นหายใจไม่ออกหาทางขึ้นไม่ได้ตายอยู่ในรูนั่นเองเบลสอนมาอีกคนระพินหัวเร้อ ย, อย่างชุนฉุนไม่หรอกครับเรื่องอะไรที่ผมใช่คนของผมต้องตายในซอกรูใต้หน้าผานี้มีทางเจาะชอนเชื่อมถึงกันได้ตลอดเหมือนเส้นทางเดินของรำลังปลวกแม้จะเป็นรูแคบๆจํากัดแต่ก็พอที่จะลวยตัวคลืบคลานไปได้ และมันจะมีทางตัดทะลุออกไปทางอีกฟากหนึ่งของหน้าผานี้โดยการมุดโพรงไปให้ถูกซึ่งเรื่องนี้บุญคํากับจันพอจะรู้เส้นทางดีอยู่แล้วอาจใช้เวลาคําหน่อยแต่ก็ไม่เกินสองาชั่วโมงจะทะลุออกไปอีกฟากหนึ่งได้ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกฝังทั้งเป็นอยู่ภายใต้หินถล่มหรอกครับสําคัญว่าเขาทั้งสองจะต้องมุดเข้าช่องทางให้ถูกเดินหมายตาไว้ก่อนเท่านั้นถล่กเข้าช่องผิดเป็นหนทางตันก็เสร็จเหมือนกันหาทางออกไม่ได้และเราก็ไม่เสียเวลาคุดหาศพเขานอกจากปล่อยให้เฝ้าอยู่ที่ใต้เขาลูกนี้แหละ ประโยคสุดท้ายรพินพูดบนหัวเราเหมือนจะมีอารมณ์คันในจ้างอเมริกันทั้งหมดและเชลดูดมองหน้ากันมองหน้าเขาอย่างค้นหาแต่ก็ไม่อาจได้ล่องรอยอะไรทั้งสิน้นดูคล้ายรพินจะพูดอะไรได้อย่างง่ายๆและเห็นว่าชีวิตของเขาชีวิตคน ข, ของเขาปราศจากค่าดใดๆทั้งสิ้นซึ่งความจริงทุกคนย่อมจะรู้ดีว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นคันเมื่อหันมาสำรวจสีหน้าของบุญคากับจันบ้างก็เห็นเฉยๆปกติดีอยู่ไม่แสดงอาการวิตกกังวลใดๆเลยมิสเตอร์ฮันเตอร์ฉันอยากจะกล่าวว่าคุณพูดอะไรบ้าๆอย่างนั้นแต่เอาละฉันจะไม่พูด ครสว่าเสียงเครียดแล้วหันไปทางบุญคากับจันทซึ่งหน้าตายอยู่ถามว่านี่บุณคําจันเธอทั้งสองคนแน่ใจหรือว่าในการเดินล่อเข้าไปแต่ถ้าหินล่วงถล่มลงมาเธอจะหลบเข้ารูทําใต้หน้าผาตามที่พานใหญ่เขาว่าได้ทันแล้วก็หาทางออกให้พ้นฟากหนึ่งของภูเขาได้ขอไว้แมมถ้าไม่มุดเข้ารูผิดคุญคําตอบหน้าเฉยสั้นๆป้าประพอกันเลยทั้งบ่าวทั้งนายเบลเอียงหน้ากระซิบกับคริสเชิดวุฒแม่กําลังอยู่ในอารมณ์ตึงเครียดแทนที่จะปล่อยกล้าออกมาดังๆแต่สู้นังงับเอาไว้ทัน ช่วยถามออกมาอีกคนนึงว่าสมมุติว่ามุดโรูไม่ผิดทั้งบุญคําและจานจะโผล่ออกตรงจุดไหนแล้วเดี๋ยวก็ห่างกันลิฟโลกเสียเวลาต้องรอคอยหรือติดตามกันแย่อีกอย่างหนึง่งจะรู้ได้ยังไงว่าทั้งสองคนปลอดภัยดีหรือเปล่าขณะที่หินมันถล่มลงมาซึ่งตอนนั้นมันคงจะชุลมุนไปหมดบุญคํายิงฟันเห็นเงือกดํถาถ้าไม่ผิดทางก็จะมุดไปออกตีเนินสักดําใกล้ที่พักของเราคืนนี้พอดีนายทหารมันไม่มีทางจะไปโผล่ที่อื่นหรอกนอกจากทางนั้นด้านเดียว บุญคำเคยทดลองสำรวจมาแล้วสมัยที่เคยป้าหาตัดเหล็กหลายๆปีมาแล้วพอจะทาทางไปได้ถูกเอาวิทยุให้บุญคำกับจันสักเครื่องหนึ่งสิแล้วก็จะรู้ข่าวกันเองว่าใครอยู่ที่ไหนจะนักกันยังไงตอนที่หินมันถล่มลงมาปิดทางแล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีตอนหินมันถล่มลงมาปิดทางไว้หมดไอวิทยุเล็กๆนี่มันจะพูดกันถึงได้หรือเปล่าจะถึงยังไงก็ไม่ต้องห่วงบุญคำกับจันหรอกถ้าคืนนี้ทุกคนไปถึงยอดศักดําแล้วบุญคำกับจันยังไปไม่ถึงก็แปลว่าถูกหินทับตายไม่ต้องรอหรือกลา อเมริกันอาวุโสผู้จับสังเกตดูและฟังอยู่ตลอดเวลาไม่มีข้อกังขาอะไรมากนักในเรื่องนี้เอ่ยว่าเห็นจะไม่ต้องห่วงอะไรกระ ม, มังเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะไม่มีใครรู้อะไรดีไปกว่ารปินบุญคำและจันทหรอกถ้าเขาคุ้นเคยกับเส้นทางดีมาก่อนแล้วแม้จะอยู่ในเกณฑ์เสีย่ยงบ้างก็าตามรปินจะต้องรู้ฝีมือคนของเขาได้ดีกว่าเรารปินเป็นอันรู้กันแล้วว่าข้อหนึ่งคุณจะให้พวกเราทั้งหมดห้าคนขึ้นไปเฝ้ารอและหลบหาที่ปลอดภัยอยู่บนโขดหินก้อนนู้น ข้อสองบุญคากับจันรจะทําหน้าที่เดินล่อเข้าไปตามเส้นทางนี้เพื่อให้มันถล่มหินลงมาถ้ามันมีแผนการอยู่ก่อนแล้วทีนี้พวกตัวตัวคุณเองล่ะยังไม่ได้บอกเราเลยว่าคุณจะทําอะไรยอนพลานขยับลูกเลื่อนแง้มดูกระสุนไรเฟิลจุดสี่ห้าแปะในรังเพลิงเหมือนจะให้แน่ใจอีกครั้งว่ามันขึ้นลําพร้อมแล้วตบก้านลูกเลื่อนลงตามเดิมผมจะไม่ปล่อยให้มันคอยจ้องเล่นงานเราอกข้างเดียวระหวังที่พวกคุณหลบคอยอยู่ที่ปลอดภยัยระหวังที่บุญคาและจันทรทําหน้าที่เดินน่อ ผมจะแอบไตหน้าผาด้านซ้ายนี้ขึ้นไปโดยจะหาทางอ้อมขึ้นไปให้ถึงหินที่มาลอยคอดกิ่วอันเป็นปัญหาหน้าคิดอยู่ขณะ น, นี้หรือถ้าตัวผมไม่ยังไม่ถึงก็จะอยู่ในมุมที่สายตามองไปเห็นที่มันแอบแฝงซ่อนอยู่ตรงตำแหน่งนั้นและอยู่ในรัศมีของไลเฟิรด้วยอาจจะเป็นมันไตรเองอาจเป็นไอ้งาดําหรืออาจทั้งสองเลยก็ได้ที่จ้องเล่นงานแล้วอยู่ตรงนั้นถ้าเห็นผมก็ยิงหน้าผาบริเวณ น, นั้นอาจถล่มลงมาแต่ไอตัวการที่ทําให้ขินถล่มก็ต้องเจอกระสุนพร้อมกันไปด้วย ถ้าไม่มีอะไรเลยอย่างที่เราสงสัยผมก็จะไปคุมไว้ที่หินมะฮึมาก้อนสำคัญก้อนนั้นแล้วจะส่งสัญญาณให้ขบวนของเราเดินผ่านไปจนกว่าจะหมดขบวนจากนั้นก็จะไต่ลงมาสมทบ ก, กับพวกเราภายหลังตรงฟากโน้นจะบินขึ้นไปตรงหินก้อนนั้นทุกคนอุทานเป็นเสียงเดียวไม่มีทางเลือกอย่างอื่นครับทางมันสูงชันน่ากลัวอันตรายที่สุดคิดกับแซนลี้ล้องออกมาก็ต้องเสี่ยงครับการที่ผมปีนขึ้นไปสํารวจที่ก้อนหินกับการที่บุญคําและจันเดินล่อเข้าไปในช่องทางนี่เสี่ยงพอๆกัน แต่ถ้าไม่เสี่ยงเราไม่มีทางจะผ่านช่องทางนี้ได้เลยเอาละครับเวลาไม่คอยท่าแล้วเราต้องลงมือเดี๋ยวนี้ว่าแล้วรพินไพรวันก็ขยับตัวพยักหน้ากับคนของเขาทั้งสองชาพร น, นั่นเองแซนลีก็เข้ามากวางหน้าไว้พูดหนักๆเดี๋ยวก่อนไม่เพียงสะกดด้วยคำพูดเท่านั้นหัวหน้ า, นาคณะค้นหาระเบิดนิวเพียรยังจับแขนเข้าไว้แน่นจ้องหน้าเขมงทําให้รพินต้องชะงักขณะนี้พวกผมห้าคนอยู่ที่นี่ด้วยนะเรียกว่าเขามารวมอยู่ในเหตุการณ์และมองเห็นกันอยู่ซึ่งๆหน้าทีเดียวขณะที่คุณ กับคนของคุณอีกสองคนลงมือปฏิบัติการอย่างที่บอกตะกี้นี้มันเป็นการยุติธรรมแล้วหรือที่จะให้เราทั้งสี่เราทั้งห้าคนงอมืองอท้านั่งรอคอยอยู่เฉพาะในที่ปลอดภัยมีหน้าที่แต่คอยดูอย่างเดียวเท่านั้นจริงด้วยละพินมันไม่ยุติธรรมเลยอย่างน้อยก็ไม่ยุติธรรมสําหรับคุณคิดเสิร์ฟมาเสียงหนักจริงจังอีกคนหนึ่งแล้วพวกคุณคิดว่าคุณจะเอายังไงล่ะครับเขาถามง่ายๆ่ายคุณควรให้เกียรติเราในการร่วมเสียงร่วมทํางานเคียงคู่ไปกับคุณด้วย ขาบอกเสีย ก, ก่อนเลยว่าคุณไม่ต้องอธิบายเหตุผลในด้านเพื่อความปลอดภัยของพวกเราหรอกวุ่นวุญคําและจันทํำยังไงเราก็จะขอร่วมมือกับคุณด้วยพร้อมๆกันแตนลี่พูดชัดเจนแน่วแน่ในน้ำเสียงแสดงถึงว่าได้ตัดสินใจแน่นอนแล้วชนิดที่ไม่ยอมให้ปฏิเสธได้อย่างเด็ดขาดพวกคุณสามคนพวกผมที่ยืนอยู่นี่ห้าคนรวมแล้วเป็นแปดคนทําไมเราถึงไม่รวมกําลังกันทั้งหมดและ ย, ยากหน้าที่เป็นสองฝ่ายในจํานวนเท่าๆกัน คือฝ่ายที่ขึ้นไปประจันหน้ากับไอ้มหาวัร้ายบนหน้าผานั่นสี่คนและฝ่ายที่จะเดินล่อเป็นเป้าหมายตามเส้นทางนี้สี่คนผมมีเหตุผลว่าในฝ่ายที่จะขึ้นไปประจันหน้ากับมันบนหน้าผานี้ถ้าสี่คนก็แปลว่าปืนสี่กระบอกสายตาแปดคู่ช่วยกันดูซึ่งจะดีกับคุณเพียงคนเดียวแน่ๆและฝ่ายที่เดินล่ อ, ลอข้างล่างก็เหมือนกันแค่จันกับบุญคำสองคนนั้นอาจน้อยเกินไปดูแล้วอาจไม่ทําให้มันลงมือถลม่มหินภูเขาลงมาใส่ได้แต่ถ้าเป็นสี่คนก็มีเหตุผลที่น่าจะ ตัดสินใจเล่นงานตามแผนรอได้ดีกว่าประพินไพรวันอัดก้นบุรี่ที่เหลือสั้นนิดเดียวจนแก้มตอมองลาไปตามใบหน้าของนายจ้างของเขาทั้งหมดที่ยืนลายล้อมอยู่ทีละคนเหมือนจะอ่านใจคิดไม่พูดอะไรนอกจากพยักหน้านิดนึงเชิงสนับสนุนคาพูดของแซนดี้เชิดวุฒิจดนิชชี้เชิดวุดจดนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือเป็นวงกลมและชูให้เขาดูแทนความหมายตกลงริสเงียบขึ้นอยู่ในอาการเดิมแต่ดวงตาประกาศชัดว่าหล่อนจะไม่ยอมให้เขาทักท้วงเลย ส่วนเบลพูดสั้นๆออกมาว่าอาจารย์พูดถูกแล้วรับพินคุณขัดขวางสกัดกั้นพวกเราไม่ได้หรอกผมทราบมานานแล้วว่าทุกท่านที่เป็นเจ้านายของผมจะเดินทางมาในครั้งนี้ลวนกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญอันตรายได้ทุกอย่างเขาพูดเสียงลึกแต่ผมเห็นว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันยังไม่จําเป็นที่พวกคุณจะต้องมาเสี่ยงเลยเพราะการเสี่ยงนั้นในหนทางข้างหน้ายังมีอีกมากนะ ทำไมถึงไม่เก็บไว้ใช้ในยามจําเป็นจ ร, จริงๆชนิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลต้องขอสมัครเข้ามาร่วมเสี่ยงกับผมเในการเสี่ยงครั้งนี้ด้วยรอเวลาโอกาสหน้าไม่ดีกว่าหรือประพินโอกาสหน้าหรือโอกาสนี้มันก็เหมือนๆกันนั่นแหละขอให้คุณเข้าใจเสียด้วยว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะแสดงความเก่งกาจกล้าหาให้คุณเห็นเพื่ออะไรหรอกแต่เราพิจารณาเห็นแล้วว่าคน8คนทํางานย่อมดีกว่าคนสาคนขอให้ผมย้าอีกครั้งปโปรดให้โอกาสเราร่วมมือเคียงบ่าเคียงไหลกับคุณบ้าง เกิดอะไรขึ้นกับใครในจำนวนของพวกคุณขอได้หยาดโทษว่าเป็นความผิดของผมนะครับร้านนี้ไม่ใช่ข้อเสนอของผมคุณรู้สึกตัวบ้างไม่ว่าคําพูดของคุณประโยคนี้ดูหมิ่นน้ําใจพวกเราทั้งห้าคนผูพ้พูดคือคริสติน่าสแตนลี่กําแขนเขาที่ยังจับอยู่นั้นบีบหนักหน่วงรับรองยังแมนในการร่วมงานกับคุณด้วยในครั้งนี้ถ้าพวกเราคนใดพลาดพลัง้งแม้แต่ว่าจะถึงกัชีวิตไปจะไม่มีใครโทษคุณเลยสบายใจได้ถ้างั้นโอเคเราตกลงกันได้ในหลักการทีนี้ผมต้องการรายละเอียดละ่ะ ข้าบรูทไพร์พูดง่ายขณะที่พยักหน้าลงเดดบุรีที่เหลือก้อนไม่ถึงหนึ่งนิ้วประเด็นเป็นกระทบโขดหินแตกเป็นลูกไฟตามแผนเดิมนั้นผมจะไต่ขึ้นไปค้นหาคุมเชิงหรือเผชิญหน้ากับศัตรูของเราบนยอดหินโน่น ล, ลาพังคนเดียวส่วนบุญคําและจันจะทําหน้าที่เดินล่อเข้าไปในช่องทางสองอทั้งสองคนคราวนี้พวกคุณห้าคนขอร่วมด้วยขอทราบไหมว่าใครจะเลือกไปกับไฟไหนแต่ตัวเลขมันออกมาแน่ๆแล้วคืออีกสามคนจะต้องตายขึ้นไปกับผมและสองคนไปกับบุญคําและจัน จึงจะแบ่งได้ในจํานวนเท่าๆกันคือฝ่ายละสีทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะไปกับผมหรือไปกับบุญคําเสี่ยงอันตรายเกือบเท่าๆกันคือถ้าไปกับผมก็เห็นอยู่แล้วว่าต้องปีนป่ายขึ้นไปบนหน้าผานี่แต่ถ้าหินเกิดพังทลายลงเมื่อไหร่ก็อาจมีสิทธิ์ล่วงหล่นลงมาแหลกเหลีวได้เหมือนกันจากแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระทบจากหินที่ร่วงสวนลงมาถ้าให้หลบจุด ก, กํบาบังให้ดีส่วนอีกสองคนที่จะไปกับฝ่ายบุญคําจะเผชิญอันตรายในถูกในขณะที่ภูเขาถล่มหินร่วงพลูทับลงมาถล่มเข้าซอกรูหรือโพรงตีนพา ยิ่งช่องทางนั้นไม่ทันก็แรงเหมือนกันนี่ถ้าหลบเข้าไปบังอยู่ในโพรงแล้วแต่บังเอิญเป็นโพรงอับจันไม่มีทางทะลุกออกได้ก็แปลว่าถูกฟังเป็นอย่างทารุณที่สุดเพราะฉะนั้นห้าคนพวกคุณเลือกกันเองว่าใครจะไปกับผมหรือจะไปกับบุญคําอัตราสามต่อสองครับอย่างที่บอกไว้แล้วคราวนี้ฝ่ายในจ้างคงมองหน้ากันเองใครจะเลือกอย่างไรก็ตามเธอแต่สําหรับฉนันขอเป็นฝ่ายเดินลอบไปกับบุญคำและจันเองริสติน่ากล่าวขึ้นโดยละพินไม่คาดฟันทำเอาเขาต้องมองหน้าในลักษณะงงงันกึ่งตะลึง อยว่าแต่เข้าเลยแม้แต่ทุกคนก็ตระหนักได้ดีว่าฝ่ายที่จะทําหน้าที่เดินลอดเข้าไปในเส้นทางมหาไฟาที่ลอยอยู่เบื้องหน้านั้นเสี่ยงกับชีวิตจะยิ่งกว่าที่จะติดตามเขาขึ้นไปชนิด2ต่อหนึ่งทีเดียวคริสมีอะไรในใจจช่แล้วหล่อนอยาจะฆ่าตัวตายกระมังดาร์พินไพร์วันก็ไม่กล้าพูดดุทักท้วงใดๆขึ้นทั้งสิน้นแต่คําพูดเช่นนั้นของแม่ผมทองนักเคมีฟิสิกส์สาวสวยผู้มีประวัติเบื้องหลังการเป็นไมย้ยางร้ายกาก็ทําให้แซลลี่คีเทอร์บุสและอิสเบิร์กอักกันไปหมด เอางี้ดีกว่าเพื่อความถูกต้องยุติธรรมที่สุดพวกคุณทั้งห้าคนจะไม่สั้นไม่ยาวกันสําหรับผมจันและบุญคำไม่เกี่ยวกับกรณีนี้ว่าถึงอย่างไรก็จะต้องไปอยู่แล้วพวกคุณทั้งห้าคนตั้งหากที่จะเลือกว่าใครบ้างจะไปกับผมใครบ้างจะไปกับฝ่ายบุญคำตกลงไหมตกลงเกือบทุกคนยกเว้นคริสคนเดียวตอบมาเป็นเสียงเดียวกันหมดระหว่างละพินหมุนตัวไปหากิ่งไม้แห้งเล็กๆให้จัดการหักแบ่งส่วนอยู่คริสหัวเรอบเบาๆบอกมาว่ า, า, า, าถ้าจะให้จับก็ให้จับแค่เฉพาะสี่คนเท่านั้นนะคุณไพรวนัน สำหรับฉันแสดงเจตจํานงอาสาสมัครเลือกเอาเองแหละไม่ได้มันไม่ยุติธรรมเธอต้องจับไม้เสียงทายกับพวกเราทุกคนด้วยกขัดขึ้นคือหัวหน้าคณะแล้วก็ถูกจํายืนยันมาโดยคณะภากอีกสี่คนโดยไม่มีใครยอมให้คริสเลือกเอาเองตามใจปรารถนามันจึงยิ้มมุมปากยากไหลและไม่กล่าวอะไรอีกอึดใจเดียวจองพลานก็หันกลับมายังทุกคนที่ยืนแวดล้อมอยู่ในมือของเขามีไม้โปรองมาห้าอันระดับที่โครขึ้นมานั้นเสมอกันทั้งหมดประกาศว่า นี่คือไม้ทั้งห้าอันที่จะให้พวกคุณจับเลือกเสียงถายเอาเองขอเรียนให้ทราบว่ามีไม้ยาวเท่าๆกันอยู่สามอันและไม้สั้นกเท่ากันอยู่สองอันโดยจับได้โดยจับได้ไม่ยาวคือพวกที่จะขึ้นไปกับผมส่วนไม้สั้นไปกับบุญคำและจันเราจะไปเราจะใช้ระบบยูเนียร์และซีเนียะกระยูนนิน้อยที่สุดมีสิทธิ์เลือกจบมีสิทธิ์จะได้เลือกก่อนดีมากคุณทําให้ถูกต้องที่สุดแล้วสแตนร์ลีโดยขึ้นพร้องกับยิ้มคึ้นขึ้นและพยักหน้าไปทางหมอเบล เฮ่เบลยูเด t ะเฟิร์สอิสเบลผู้อ่อนเยาว์กับเพื่อนก้าวเข้ามาในทันทีตาหลอนมองดูหน้าพรานใหญ่ส่วนมือจับไม้ที่เดียงแถวอยู่ในอุ้งมือต่างส่วนปลายของเขาฉันอยากขึ้นไปกับคุณด้วยหลอนพูดอย่างบริสุทธิ์ปราศจากมารยากระตกขึ้นมาอันหนึ่งทันทีแล้วยกขึ้นดูปรากฏว่ามันยาวขนาดสามนิ้วเจ้าตัวคนจับมองแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะเขาไม่รู้ว่าเขาหักไว้ทั้งยาวและสั้นไว้ในขนาดไหนแต่ก็หุบปากไม่ถามอะไรทั้งสิ้น รอดูผลสุดท้ายที่จะออกมาเมื่อเบลจับเป็นคนแรกแล้วทุกคนก็ยืนนิ่งกันไปหมดไม่มีใครเคลื่อนเข้ามาจนกระทั่งสเตนรี่ร้องออกมาว่าคนต่อไปเร็วคิดนั้นโดยความรู้สึกของเขาเองประกอบกับความจริงเขาก็เป็นเพียงแค่อาวุโสโรองลงไปกับสเตอรี่เท่านั้นจึงเฉยอยู่หโือเฉพาะคริสติน่ากับเชิดวุฒิสอคนที่มองหน้าเชิงเกี่ยงกันอยู่คริสทำไมคุณไม่จับนายทหารหนุ่มพยักหน้าร้องบอกมาหล่อนแค่นยิ้มบินบินไอ้หนูนั่นดูมันจะเป็นคําที่ปราโมากันซึ่งซึ่งน้าคุณคิดว่าคุณอายุมากกว่าฉันเั้นหรือ เชอวู้หอปากทำตาโตร้องอามาเป็นภาษาไทยอย่างหัวเสียโ่อีหนูข่านะเกิดมาสองรอบแล้วนะสามสหกปีโวยเรอะมันโลคคิ้วงามขึ้นนิดนึงนึกว่าอย่างมากสักยี่สแปดยี่บเก้าปีซะอีกหน้าเหมือนทาโรคแล้วเกินนี่ความประพฤติก็ไม่ผิดอะไรกับเด็กอมมือเอาละ่ะเมื่อข่าตัวเองจะโตกว่าฉันจะให้ฉันจับก่อนก็ได้พอแล้วหล่อนก็เอื้อมือความก้านึงโถหางตาผ่านใบหน้าระพินแวบพร้อมกับกระตุกขึ้นมาโดยแรงทุกคนเงียบกริบมือมไม้ในมือคริสชุด ขึ้นมานั้นสั้นแค่นิ้วครึ่งเท่านั้นบนผิวปากยาพร้อมกับยิ้มออกมาด้วยความหมายที่ไม่มีใครแปลออกยกไม้การนั้นขึ้นแต่กับริมฝีปากและยกมือขึ้นทําอาเมนเงียบๆคนต่อไปคือเชอร์ดวูดเขาดึงขึ้มา ง, ง่ายๆอันหนึ่งเหมือนกันมันก็สั้นจูเท่ากับของคริสตนั่นเองคือนิ้วครึ่งเท่านั้นได้อีกสองอันสําหรับคีตและแตนลี้ไม่จําเป็นจะต้องจับอีกแล้วประพินบอกให้ทุกคนเห็นมันเป็นก้านยาวๆต า, ามนิ้วเท่ากับเบลจับออกไปเป็นอันดับแรก ก็เป็นอันว่าเราได้ตัวบุคคลแล้วครับดรสแตนลีย์คริสและอิสาเบลสามคนเป็นฝ่ายที่จะต้องขึ้นไปบนน้นกับผมส่วนคริสและเชิดบุษไปกับพวกบุญคำระพินบอกเรียบเรียบเชิดบุษนั้นยิ้มจืดจืทันไปมองหน้าคริสกระซิบว่าไปขึ้นสวรรค์หรือมุดลงนรกผมไม่แคร์หรอกคริสและดีใจที่เราได้ร่วมทางเดียวกันกับผมก็าภาวนาไว้แล้วลิสติน่าไม่พูดอะไรเอามือมาตบลายนายทหารหนุ่มไทยหนักหนั ก, นกรพินสั่งให้ทุกคนที่จัดสรรแบ่งหน้าที่กันไว้เตรียมตัวททันี แล้เรียกบุญคำกับจันเข้ามาอธิบายให้ทราบว่านในบรรดานายจ้างได้แยกกันไปทางด้านใดบ้างบุญคำอ้าปากหัวกระพริบตาปริบๆมองดูที่คริสดีหน้าอย่างงุนงงแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยคําใดทั้งสิ้นในขณะนั้นจอมพรานพยักหน้าเรียกคริสกับเชิญวุฒิเขามายืนอยู่ตรงหน้าเขาโดยมีบุญคำและจันรวมยืนอยู่ด้วยคุณวุฒและมิสกรูบิบลผมขอซักซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อฝ่ายผมไต่ขึ้นไปถึงก้อนหินก้อนสีดํำสนิทที่คุณเห็นอยู่นู่นคุณทั้งสองกับบุญคำและจันทรจึงจะเดินด้้้วยออาาาาากกรรรปปติธรรมเขไในนช่งงทงี สิ่งสำคัญที่สุดคุณทั้งสองจะต้องทําความเข้าใจก็คือขณะที่เดินเข้าไปนั้นพยายามเดินให้ใกล้ชิดบุญรำและจันให้มากที่สุดและจังหวะใดหรือตรงตําแหน่งไหนก็ตามหางได้ยินเสียงหินเริ่มถลม่มอย่าแยกห่างออกจากบุญธรมและจันเป็นอันขาดเพราะทั้งสองคนรู้ดีว่าช่องรูโผล่ใต้ตีนผาบริเวณไหนบ้างที่จะมีรูถ้า ม, มุดออกได้ผมสั่งทั้งสองคนนี้เวลาเข้าทั้งสองคนจะทําหน้าที่ชุดคุณสองคนเข้าไปเองเข้าใจไหมครับประโยคหลังเขายา้าเน้นนะ ต้องกขม่งอยู่เฉพาะใบหน้าคริสผู้บัดนี้สุบรียังใจเย็นเชิดวุฒละปากแข็งแรงส่วนคริสพูดหน้าตาเฉยว่าลักษณะของพวกชั้นสคนข้างล่างนี้คงจะเหมือนแย้วิ่งลงรูนะน่าสนุกตื่นเต้นดีไม่ใช่เล่นขอบคุณพระเจ้าที่ฉันจับได้ไม้สั้นสมเจตนาไว้แต่แรกประพินรอบถอนใจคุณกับคุณวุฒมีวิทยุประจําตัวไม่ใช่หรือหลอนพยักหน้าแต่เชิดวุฒรีบบอกว่าของผมตอนนี้ไม่มีนะเพราะให้เกิดไปเมื่อตะกี้นี้แล้ว อ๋อถ้างั้นเอางี้ครับพรานใหญ่พูดเร็วหรือส่งวิทยุของเขาไปให้ตาพรานเท่าสมุนขวาสั่งว่าบุญคําเอาวิทยุของฉันนี่ไว้ด้วยแมมคริสมีอยู่แล้วเครื่องหนึ่งคงจะใช้ร่วมกับนายทหารเชริดบุได้าตัวบุญคําก็ต้องมีสำรองไว้เครื่องหนึ่งเหมือนกันเพื่อที่ฉันจะเรียกได้ทั้งฝ่ายแมมคริสและบุญคําย่ลืนที่สั่งไว้เป็นอันขะดถ้าแม่มหรือนายทหารเป็นอะไรไปทั้งบุญคําและจันไม่ต้องโผล่ออกมาให้ฉันเห็นหน้าอีกเลยเข้าใจไหมครับนายบุญคําจะพยายามอย่างที่สุดแซนนดดี้้คริิแลละเลเเบขาามามมวกุ่ เรพินยืมวิทยุจากหัวหน้าและเรียกลงไปยังเกิดกับเสยซึ่งยังคุมขบวนลูกหากรับกระเลียงอพยพห่างกลายพ้นคนเขตอันเป็นอันตรายไปยังเนินข้างล่างทันทีสั่งว่าฟังให้ดีนะเกิดเสยเอาหีพอสัมภาระขึ้นเนินเขาสองฝั่งให้สูงกว่าระดับพื้นประมาณอย่างน้อยห้าหกวาและต้อนลูกหากรับกระเลียงอพยพขึ้นเนินให้หมดจะให้ใครอยู่บนกลางทางด่านเป็นอันขะอีกสักครู่หินบนหน้าผาข้างบนนี่อาจถลม่มและบางส่วนอาจกลิ้งสวนลงไปตรงบริเวณที่พักกันอยู่ขณะนี้จะให้ใครถูกหินกลิ้งทับได้ ให้ทุกคนสงบรออยู่ที่เดิมเพื่อรอฟังคําสั่งจากฉันถ้ายังไม่มีคําสั่งอย่าเพิ่เงเคลื่อนเข้ามาได้ยินข้อความโดยตลอดและเข้าใจที่สั่งไหมได้ยินเข้าใจแล้วครับนายไม่ต้องห่วงทางนี้ยึงเกิดตะโกนลั่นออกมาจาก loudspeaker จิ๋วในมือของเขาเอาละตอนนี้เริ่ติดต่อกันก่อนอย่าไปยุ่งอะไรกับเครื่องวิทยุนั่นเปิดไว้อย่างนั้นตลอดเวลาก็แล้วกันคําสั่งครั้งสุดท้ายเขาส่งวิทยุ ค, คืนให้หัวหน้าคันนะไปยักหน้าเป็นความหมายว่าให้ลงมือปฏิบัติการได้โดยแยกกันออกเป็นสองฝ่ายแดนนี่กับกีตและอิสซา มาจับมือเชอิดวุฒิกับคริสเป็นเชิงรากันชั่วคราลพร้อมทั้งบอกกู๊ดรักและทั้ง3คนภายใต้การนําของดร์สแตนลียก็เริ่มไต่หินไายปีนขึ้นไปตามแนวทางระพินทีบอกล่วงหน้าเรียงลาดับกันขึ้นไปทันทียังไม่ยอมเสียเวลาเหลือระพินเป็นคนจุดท้ายที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเชิดวุฒิและคริสก็ส่งมือให้ในายทหารรุ่นน้องก่อนโชคดีครับคุณวุฒิแล้วค่อยพบกันใหม่ภาวนาคาถาหลวงพอ่อทวดไว้ทุกขณะและอาศัยความไวให้ใหมากที่สุดบุญคำ ร, รู้จันทร์ถูกเข้าไปในซอกถ้าไหนคุณล่่่่าาคริสเข้้้้้ไไปชชอออองงนนนันใหดดวยยยแกื น่าจะเป็นมีอยู่หลาย ห, ายห้องช่องก็ตามครับโชคดีพี่ชายเชิดรุดขยับมือเขาโดยแรงก่อนปล่อยคนสุดท้ายเขาหันไปทางคริสผู้ยืนสงบนิ่งลำแสงสุดท้ายของตะวันชิงพบจาดจับหน้าผิวแดงดูเหมือนย้อมด้วยเลือดผมเชื่อฝีมือคุณคริสเชื่อเสยิ่งกว่าทุกคนในคณะขอให้พระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองคุณเขากระซิบเบาที่สุดทรงมือมาให้คริสไม่จับมือเขา เอาก้านไม้อันสั้นที่หล่อนดึงขึ้นมาได้และยังถือติดมืออยู่บรรจงวางลงไปบนแขนเขานี่คืออนาคตของฉันมันหดสั้นเท่าๆกับไม้ที่ฉันดึงออกมาจากมือคุณนี่แหละแฟรเวลรพินหลอนกระสิบตอบรบพินภัยวันยืนตัวชาดิกรู้สึกเหมือนหัวใจหล่นวู้บไปที่เท้าแต่ฝืนหัวเราะเบาๆสัน่นสีสะไม่หรอกคุณยังแฟรเวลกับผมไม่ได้เพะเราจะต้องพบกันอีกแน่นอนคําที่คุณควรพูดคือกู๊ดบายกู๊ดลักซียูเลเตอร์คือมิฉะนั้นก็ ทีวี meet ะเก i n กล่าวจบเขาก็ถอยหลังชิดเท้าตรงยกมือขึ้นแตะปีกหมวกทำความเคารพแบบบรรทยาหัดแล้วหมุนตัวกลับไตโขบโขถหินเดีย่ยตามหลังพวกที่ร่วงง่าขึ้นไปก่อนแล้วทันที